อาจารย์มาแล้วขออนุญาตนีมนลพรอาจารย์ขึ้นหน้าจอก่อนนะครับอาจารย์ครับกล่านรัศ ก, การครับเชิญผ่คุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์มาช้าไปวินทบากคนเยอะไหมครับวันนี้ประมาณสามร้อยสองคนสามร้อยสองคนครับป้บาก็สองร้อยกว่าเช่นเคยใช่ทางบ่ายก็ประมาณ เ, เดิมครับผมแล้วคนฟังธรรมตอนบ่ายเยอะไหมครับพระอาจารย์ร้อยห้าสิบกว่า เงือลแดร้อยกว่าวั800านนี้แปดร้อยกว่าอือตอนนี้ก็เก้าร้อยกว่าคนครับอาจานครับมาจารยวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่ากรรมฐานที่ง่ายที่สุดครับอาจารย์ครับเมตตาให้ปัญญาของเราด้ครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะ <c oughs> กรรมฐานมันไม่ง่ายหรอกมันไม่ได้อยู่ที่กรรมฐานอยู่ที่สติอื <c oughs> อปัญญาไหมถ้าสติอ่อนกรรมฐานไหนมันก็ช่วยไม่ได้ ครับมันอยู่ที่สติถ้ามีสติมีกําลังมากสามารถบังคับจิตให้อยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องมันก็สง บ, บได้ง่ายได้เร็วถ้าสติอ่อนกําหนดได้แค่สองสามวิแล้วก็ไปละไปที่นู่นไปที่นี่ละอย่างเงี้ไม่ว่าจะใช้กรรมฐานอันไหนมันก็ช่วยไม่ได้แล้วที่เขามีกรรมฐานหลากหลายนี้มันเป็นอีกสาเหตุหนึง่งคือจิตเรานี้บางเวลามีอารมณ์ต่ตางๆครอบงําอยู่เวลาเรนังสมวัน mm hmm. นี้เราจะมานั่งสมาธิ พอดีไปมีเรื่องกับคนนั่นคนนี้ครับในสภาอะไรก็ได้มันขังค้างอยู่ในใจครับัมงเหมือนแล้วดูลมก็ไม่ได้พูดโทรก็ไม่ได้อันนี้ต้องใช้เมตตาและต้องให้อภัยต้องเปลี่ยนมาเป็นสัพเพสัตตาเวลาหุนตุอหอยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่า ม, มีเวรกันเถิดเวรย่อมเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรเป็นต้นอันนี้ นีห่หมายถึงการใช้กรรมฐานหลากหลายเพราะว่าใจเราบางบางเวลามันมีอารมณ์อย่างอื่นมาครอบคนระับบางเวลาเกิดการมาราคขึ้นมาทําไงก็จะคิดอสุภละล่ะคิดถึงอาการสามคิดถึงสร้างศพก่อนให้มันสงบตัวลงก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้ลมหรือใช้พุโทโธต่อไปนมพุโทโธนี่เป็นแบบว่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกรรมฐานหลักกรรมการกรรมฐานที่เราใช้กับจิตที่อยู่ในสภาพปกติ แต่ถ้าจิตยอยู่ในซับสภาพไม่ปะกะตินี่บางทีต้องใช้กรรมฐานอย่างอื่นมาแล้วครับมันเช่นถ้าเกิดความโลภอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นประธานอยากจะอยู่เป็นสวไปหลายๆสมัยก็ให้นึกถึงความตายบ้างจริญมอ น, นันตสติเนี่ยเราเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเลิกพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เราต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ให้คิดอย่างนี้แนละ้วความโลอมันก็จะอาจจะเบาบางลงได้ความอยากที่จะเป็นนู่นเป็นนี่มันก็ลดน้อยทอนลงไปจนกลับมาเป็นปกติได้มาเป็นปกติเราก็ดูลมได้นิพพุทโธของเราไปตามปกติต่อไปตัวที่จะทําทให้จิตสงบไม่สงบนี่อยู่ที่สติไม่ใช่อยู่ที่กรรมฐ า, านสตินี่เปรียเหมือนกับเชือกถ้าเรามีลิงตัตวหนึ่งเราต้องการจะจับมันผูกไว้ให้มันอยู่ที่ไม่ให้มันไปไหนมาไหน เราก็ต้องมีเชือกแล้วก็ผูกมันไว้กับเสาหลักอันใดอันหนึ่งเสาเนี่ยจะเป็นเสาไม้เสาปูนเสาเหล็กก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยปัญหาอยู่ที่เชือกว่าเชือกมันแข็งแรงหรือไม่เชือกถ้าเป็นเชือกกล้วยนี่มันลิงกต็ตกทีมันก็ขาดเนี่ยนี่คือสติสติก็คือเชือกที่จะผูกวัดใจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานให้อยู่กับลมให้อยู่กับพุทโธ แต่ถ้าสติมันอ่อนมันเชื่อกกล้วยอย่าง้ผได้แค่สองวิมันก็ไปแล้ะกระตกทีมันก็ขาดละเลยต้องพยายามสร้างสติสร้างเชือกให้มันมีหลายๆทบทบเดียวมันไม่พอเชือกกล้วยเส้นเดียวไม่พอมาสักสิบเส้นอย่างเงี้มันก็จะแข็งแรงขึ้นหรือจะใช้เส้นเส้นลวดเป็นลวดเลยก็ได้เป็นเหล็กเลยก็ได้อย่างยิ่งเข้าใจไหมตัวสำคัญนี้คือดูสติ แต่ินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะดึงจิตไว้ผูกจิตไว้กับกรรมฐานถ้ามีเชือกแต่ไม่มีที่ผูกมันก็มันก็มัน ก, มนก็มันก็ยังวิ่งไปไหนมาไหนได้อยู่ถ้าไม่มีเสาที่เราจะผูกผูกผูกเชือกไว้เพื่อกันไม่ให้รินมันวิ่งไปวิ่งมามันก็ต้องมีเสามีหนักอะไรทั้อย่างนั้นเสานี้ก็คือกรรมฐานเขาสำคัก็คือตัวสติ งันหนีไม่พ้นหลงการเจริญสติอย่างอย่างต่อเ น, นื่องระหว่างวันตั้งแต่ตื่นจนดับเนี่ยพระเจ้าทรงสอนให้พระปฏิบัตินเนี่ยเจริญตั้งแต่ตื่นจนดับครับกายกรตาสติให้คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายในทุกปิยาบทในทุกในทุกการกระทําทําให้ไ ม, ไม่ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับร่างกายได้เวลามันนั่งสมาธิก็ เปลี่ยนมันดูลมหายใจเข้าออกต่อมันก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วได้งานครับพอจะเข้าใจยังกรรมฐานต่างๆนี้มีไว้สําหรับแก้ปัญหาเวลาที่ใจเราไม่เป็นปกติเวลาโลกไปให้คิดถึงความตายเวลาเกิดกามละคะขึ้นมาได้คิดถึงอสุภะเวลาเกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาก็าให้ใช้ความเมตตาให้อภัยกัน เั็นต้นอาจารย์สอนในตรงเป๊ะเลยครับใช้ใช้วิธีคือผมก็มีโอกาสได้ใช้วิธีที่พอาจารย์สอนนี่เลยครับ uh, เวลาที่ไม่เขาไม่ถูกใจเราเนี่ยผมก็ต้องแผ่เมตตาแบบที่อาจารย์สอนอจริงๆครับออ uh, อย่าไปมีเวรมีกรรมกันเลยอย่าไปโกรธเกียดกันเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรมัน <c oughs> จะจ ะ, จะทํำให้ใจเราร้อนครับทํา ภาวนาไม่ได้ทําใจสงบไม่ได้หลายครั้งก็ช่วยในการพุ่งถี่อยู่ครับอาจารย์คกรรมฐานนี่กี่ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจนั่นเองเหมือนะยารักษาโรคร่างกายถ้าปวดศรีรษะก็ต้องกินยาแก้ปวดศรีรษะปวดเท้าก็ต้องกินยาแก้ปวดเท้าปวดฟันก็ต้องกินยาแก้ปวดฟั น, นมันมียาของมอันเฉพาะฉันได้ใจเราก็เหมือนกันเวลาใจเราไม่สบายเพราะการ ม, มาราคะเราก็ต้องใช้ปสสุภา ถ้าไม่สบายน้วความโลภความอยากอยากเป็นอยากอยากมีอยากเป็นนี้ก็ต้องใช้มรณานัสติเอใจแล้วนะงั้นอย่ี้นการเจริญสติสตินี่สำคัญที่สุดแล้วระหว่างวันเจริญสติยังไงครับอาจารย์ครับก็มีหลายวิธีได้ที่เลือให้แถึงพูดโทรอยู่เร่ในใจพอลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือตั้งสติก่อน นึงจิตให้อยู่กับพุทโธก่อนเลยถ้าเราไม่มีนึงไว้เดี๋ยวมันไปแล้ววันนี้วันวันอะไรเดี๋ยวจะไปทําอะไรไปเจอใครไปทำนู่นทํานี้มันก็จะคิดเรื่อยเป่อยไปเลยนึงมันกลับมาให้อยู่กับร่างกายอยู่กับพุทโธพุทโธผูกไว้กับร่างกายก็ได้พอลืมตาขึ้นมาดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนกําลังท่านนอนก็ดูมันต่อไปแล้วต่อไปมันจะทําอะไรมันก็ลุกขึ้นมานั่งก็อยู่ท่านั่งแล้วมันก็ลุกขึ้นมายืนแล้วมันลุกขมาเดิน เฝ้าดูไปตลอดเลยผูกร่าปูกใจไว้กับร่างกายเข้าห้องน้ำน้ำล้างหน้าแปลงฟันก็ทำอยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่แต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็เหมือนกันเดินทางไปที่ทำงานก็มีสติอยู่กับร่างกายตลอดเวลาถึงที่ทำงานก็มีสติดูเดินขึ้นบันไดเข้าออฟฟิศทำอะไรก็ดูที่ร่างกายนี้อย่าให้มันไปที่อื่นอย่างนี้ก็มีสติหรือคน บาคนก็ใช้คําว่าพุทโธตั้งแต่ตื่นยังกระังไปถึงที่ทํางานเลยครับลองทำอยู่เลยพอลืมตาขก้นมาก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปรับประทานแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไปเดินทางก็พุทโธไปไปถึงที่ทํางานก็พุทโธพุทโธยังกระทังไปนั่งที่โต๊ะทํางานทันนี้ถึงที่ทำงานแล้วนอกทำงานก็เริ่มหยุดพุทโธชั่วคราวคิดซิว่าวันนี้ต้องทางานอะไรบ้าง หากเป็นเรื่องๆไปพอเสร็จงานแล้วกลับมาที่พูดโทต่ออย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยไม่เปิดช่องให้มันไปเพิ่มฝันเพิ่มเจอกับอะไรต่างๆครับได้ประโยชน์มากเลยครับอาจารย์อาจารย์สอนได้ตรงเป๊ะแล้ว <laughs> ช่วงนี้บางทีก็โดนอะไรอย่างนี้บ้างครับอาจารย์ธรรมดา<ๆ>ทางโลกทางโลกความยา่งยืนและเสริญสุข ม, มันเป็นของที่ทุกคนก็อยากได้ทุกคนก็ต้องแข่งขันกัน ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วทำไมพระเจ้าถึงสอนมีกรรมฐานตั้งสามสิบแบบใช่ไหมครับพระอาจารย์ใชมมม่มันจมีมันมันก็แล้วแต่จิตของแต่ละคนด้วยแล้วก็อย่างมีกระสินสิบเนี่ยมันก็เป็นวิธีเพ่งทต่นี่ใช้ดูให้เพ่งเช่นสีสีเขียวสีแดงสีสีขาวนี่ให้เราหลับตาแล้วให้เราลึกนึกถึงสีนี้นั้นๆถ้าเราต้องการใช้สีขาวก็หลับตาแล้วทํา ให้สีขาวปรากฏขึ้นมาในจอภาพจอใจแล้วพยายามรักษามันให้เป็นสีขาวอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการใช้สติบังคับให้จิตสร้างภาพสีขาวขึ้นมามันก็เป็นการเพ่งท่นี้เพ่งดูลมก็ให้เพ่งเป็นสีแทนบางคนชอบสีเขียวบางคนชอบสีแดงบางคนชอบสีขาวก็ใช้ไปบางคนชอบดูเพ่งดูซากศพสิบชนิดก็ได้อสุภัสสิ แล้วคนมีจริตนิสัยมันไม่เหมือนกันก็ถึงนี่กรรมฐานทึ้งสี่สิบวิธีด้วยกันครับแล้วกรรมฐานสี่สิบวิธีนี่ก็มีแบ่งเป็นสองสองส่วนส่วนหนึ่งเพื่อความสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานอีกส่วนหนึ่งเพื่อปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานบางอย่างนี้เป็นแค่สมถะเช่นพุโทโธนี่เป็นแค่สมถะทําให้ใจสงบแต่ไม่เกิดปัญญานะครับ แต่ถ้าใช้มรณานุสติหรือสุภาณ์นี้มันได้ทั้งความสงบสมถะแล้วก็ได้ปัญญาเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายเป็นต้นแล้วมันก็มีสี่สิบอย่างชนิดเนี่ยมันก็มีอนุสติ 10, สิบอ่าอ่ากินสิบพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามมิตาอุเบกขาธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ อสุภาษิตเนี่ยรวมไปรวมมาก็ประมาณสี่สิบด้วยกันอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่จะทําให้ใจสงบอย่างนั้นก็สงบบางอารมณ์ก็ทำให้เกิดปัญญาด้วยเกิดเป็นวิปัสสนาขึ้นมาครับขอบคุณอาจารย์ครับผมจะแก้ปัญหาได้อีกอย่างครับอาจารย์ผมก็เลยเอาโทรศัพท์ส่วนตัวตั้งเฟซไว้อีกที่หนึ่งนะครับจะบอกพี่บอยว่าดูสถิติด้วยตอนนี้มีคนเข้ามาชมเพิ่มอีกกับสามร้อยคนครับอาจารย์ครับ หมายถึงเฟซของตัวของคุณนอเองจะใช้เครื่องมือเปิดเนาะใช้เครื่องมืออื่นแล้วก็กดไลน์ไปเลยครับอาจารย์ก็จะเห็ น, นหน้าผมไม่เห็นพระอาจารย์ครับครับคําถามได้นะครับคําถามได้นะครับ <S <S โอเคครับอาจารย์แฟ น, นที่ติดตามเพจ น, นี้ก็สามารถเข้าถึงได้ตอนนี้เข้าได้แล้วครับอาจารย์ครับอตอนนี้ก็ดู่ใน ติ๊กต็อก476ในเฟซ270แล้วก็ในที่ดูรวมๆกันนี้อีก720ครับน่าจะผ่อนกว่านสามารถคนครับก็สามารถจะส่งคำถามเข้ามาได้นะครับขออนุญาตปาจารย์ถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับคุณนัฐธพันธ์ครับบอกว่าหนูปฏิบัติธรรมมีความสุขกว่าแต่ก่อนความกังวลความเครียดลดลงไม่ทราบว่ า, าถ้าเป็นอริยะบุคคลจะมีความสุขมากกว่านี้ไหมครับและเป็นความสุขอย่างไรครับ แน่นอนมากกว่าแล้วก็ยั่งยืนกว่าเสถียรกว่าคือได้แล้วจะไม่เสียแต่ถ้ายังไม่เป็นพาระยะบุคคล น, นี่มันขึ้นอยู่กับกําลังของสติสติดีมันก็จะสงบพอสติไม่ดีมันก็จะเริ่มพุ้งขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นพาระยะบุคคล น, นี่ท่านใช้ปัญญาเป็นตัวระงับความพุ่งซ่านาระงับแล้วมันก็หายหายแบบหายขาดเลยเพราะฉะนั้นความสงบของพาระยะณ์นี่มันจะ ไม่เสื่อมแล้วก็สงดของสติของสมาธินี่มันยังเสื่อมได้อยู่วันไหนไม่ได้ปฏิบตัตินั่งสมาธิสักสอสามวันนี่จะรู้สึกต่างกันเลยจินแล้วเจ็บเริ่มฟุกซ่าขึ้นเจ็บเริ่มมีเรือ่อโกตรลงมากขึ้นแต่ถ้ามีปัญญานี่มันจะพอตัดตัวไหนได้แล้วมันก็ตัดไปเลยไม่กลับมาอเช่นพระโสดาบานันให้กุกความกลัวตายก็หายไปเลยไม่มีวันที่จะกลับมาอความกลัวเจ็บก็ไม่มีกลับมาอ แต่ถ้าเป็นการใช้สติใช้สมาธิสู้กับความตายความกลัวอยู่เวลาถ้าไม่มีสมาธิเวลาจิตเสือ่อมสติไม่มีพอคิดถึงความตายก็อาจจะเกิดความกลัวขึ้นมาใหม่ได้อาจารย์ครับอย่างนี้เวลาเป็นพระโสดาบันแล้วเครื่องบินตกล่องอากาศนี่ก็ไม่กลัวเลยรหรอครับอาจารย์ไม่กลัวหรอเพราะท่านเตรียมตัวตายอยู่ทุกขณะอยูแล้วท่านไม่ลืมความตายความตายอยู่แค่ปลายจมูกอย่างที่พระเจ้าสอนพระอนุน หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกก็ไม่หายใจเข้าก็ตายท่านู้ท่านยอมรับความจริงว่าความตายนี้หนีไม่พ้นแน่นอนคือความตายแต่เวลาตายนี้ไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่นี้ยังไม่มีใครรู้แน่ชันแต่ที่แน่ชัดก็คือต้องตายเน่ยเนี่เพราะฉะนั้นท่านอยากเตรียมตัวเตรียมตัวรับความตายยอมตายพอยอมตายแล้วความกลัวตายก็จะหายไปแต่ต้องทำ ต้องทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาก่อนตอนนี้เราไม่มีความกลัวเราบอกเราไม่กลัวตายมันเพียงจะเป็นคําพูดต้องไปเจอเสือเจอสัตว์อะไรทั้งอย่างที่เราคิดว่ามันจะกัดเราที่เราอาจจะต้องตายเนี่ยเกิดความกลัวขึ้นมาสุดขีดแล้วตอนนั้นเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่เที่ยงต้องตายยอมรับความตายไนดะ้ความกลัวก็จะหายไปสังเกตเวลาเครื่องบินตกล่องอากาศผมยังกลัวมากเลยครับอาจารย์ครับเอ ถ้าทำ น, น้ำตรงได้ก็อาจจะหายกลัวเลยก็ได้ถ้าพิจารณาปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานักตาอา น, นิจจังเกิดแก่เจ็บตายถ้ายอมอ่ะถึงเวลาจะตายตอนนี้ก็ยอมตายปับ๊บพอยอมตายจริงๆปับ๊บความกลัวก็จะหายไปถ้าหายไปแต่ถา ว, นวรนะเพราะมันเห็นว่าความความยอมตายนี่มันเป็นธรรมยอมตายแล้วทําให้ใจเย็นใจสงบกลัตายแล้วยิ่งทาให้ใจทุกข์ใจเครียด ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องยอมตายถ้าเรากลัวตายแล้วไม่อยากตายแล้วก็จะเครียดเราก็อยากทุกไปเรื่อยๆวันพระครับตั้งใจจะถืออุโบสถศีลครึ่งวันที่บ้านแต่กินข้าวเที่ยงเสร็จราวเที่ยงครึ่งแล้วไม่กินอะไรจนวันลุกขึ้นอย่างนี้ได้ไหมครับก็ยั ง, งถือว่าถือศีลแปดอยู่ถ้าถ้าหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วเราไม่รับประทานอาหารอะไร รักษาศีลแปดเล่นมือถือเล่นเกมได้ไหมครับไม่ไม่ไม่ควรเล่นเพราะเป้าหมายของการถือศีลแปดเพื่อํารับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการเล่นเกมก็เป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายธรรมที่เป็นอกุศลก็มีหมายความว่าอะไรครับก็ทํามมีทั้งสองอันไงธรรที่เป็นอกุศลก็คือบุญ ทำที่เป็นอกุศลก็คือบาปทำที่เป็นงานกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็เรียกว่าเป็นทำกลากลางครับมีทำอยู่สามชนิดการรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับรู้ตอนนี้ใจกําลังคิดอะไรอยู่กําลังโลภกําลังโกรธกาลังหลงอยู่หรือเปล่า ร, ร, รู้แล้วต้องลังรับได้แต่ยัรู้ทันจริง เมื่อตอนนี้โลภอยากจะได้น้่นได้นี่พอรู้ว่าโลภแล้วทำให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความโลภเสียพอหยุดความโลภใจที่วุ่นวายกระสับกระส่ายกังวลกระวายก็หายไปกลาเป็นใจที่นิ่งเฉยเมีคนบอกว่าวันนี้มาดูครั้งแรกนะครับรู้สึกดีมากๆที่เจอท่านครับอาจารย์ร ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำการนั่งสมาธิให้จิตมีกาลังสามารถจดจ่อกับลมได้อยากทาให้จิตรวมต้องทำยังไงครับและการนั่งให้จิตรวมต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับเบืบ่องต้นฝึกสติก่อนสติเป็นเครื่องมือที่จะทาให้ใจเรานั่งสมาธิได้สมบถ้ายังไม่มีสตินั่งแล้วใจก็คิดฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็นั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดงนั้นสิ่งแ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาก่อนก็คือสติ อย่างที่ได้พูดตอนต้นกับคุณหมอแล้วเราต้องฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยต้องผูกใจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้กับคำบริกรรมพุโทโธก็ได้จะใช้กับการดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ผูกใจไว้อย่าไปให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นน <c oughs> ถ้าเราสามารถผูกใจไว้กับพุโทโธได้ผูกใจไว้กับร่างกายได้ เวลาเมานั่งสมาธิใจก็จะไม่ลอยไปตามความคิดต่างๆนั่งเดี๋ยวๆห้านาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ยังต้องฝึกสติให้มากๆก่อนอาณาปานสติเป็นยอดของสี่สิบกรรมฐานจริงไหมครับอาจารย์ก็เป็นเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าทรงสอนในสติปัฏฐานสี่ก็คงจะถือว่าเป็นเป็น เป็นกรรมาฐานที่เหมาะสมกับคนทั่วไปมันเป็นแบบเป็นเป็นแบบกลางๆกง็ เ, เลยเหมาะกับทุกคนก็ เ, เลยสอนให้ใช้ดูลงหายใจออก็เวลานั่งสมาธิเ้าใจก็เข้าออสู่ฌานระดับขั้นต่างๆได้ตั้งแต่โยมต้องสูญเสียคุณแม่โยมนอนไม่ค่อยหลับลึกแสดงว่ายโยมไม่มีสมาธิไม่มีสติ จิตคิดโ น, น, น่นนี่นั่นจิตไม่มีกรรมฐานหรือเปล่าครับก็ไม่มีสติเป็นหลักนะถึงแม้จะนอนหลับแล้วก็ยังมีความคิดปุงแต่งอยู่นอนหลับไม่สนิทการสวดมนต์จะได้บุญกุศลบ้างไหมครับก็เป็นการจเจริญสติอย่างนีง้การสวดมนต์ก็เพื่อแทนที่จะใช้คำอะไรพูพุทโธเราก็ใช้บทสวดมนต์แทนท่านั้นเองเหมือนกันเป็นการจเจริญสติ ถ้าทำให้ใจนิ่งสงบก็ได้บุญได้กุศลพระอาจารย์สอนให้ให้อภัยตรงหน้าเลยถ้าใครทําให้เราเดือดร้อนเสียหายลองทําดูได้สักพักมันกลับมีผลให้เราภาวนาใจแนบกับคําบริกรรมง่ายกว่าแต่ก่อนมากๆทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับรอาจารย์เพราะกิเลสที่มันคือความโกรธแค้นโกรธเคืองมันระงับไปลงไปมันเป็นตัวอุปสัดขวางการเยกว่านนิวรณ์ มิวังคือความโกรธะความโกรธทาให้จิตสงบได้ยากพอเราให้อภัยได้ความโกรธตัวนี้ที่มันขวางก้นความสงบมันหายไปจิตก็เลยสงบได้ง่ายขึ้นนิวังห้าตัวเราต้องคอยกําจัดนะอความโกรธอันหนึ่งการมาฉันท์อั น, นความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสอยากรู้อยากฟังอยากกินอยากเดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องพยายามตัดมันไปให้ได้อแล้วก็ ความหลงใหลสงสัยในพระพุทธพระธรมรมผสมก็ต้องศึกษาธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆ อ, อย่างที่เข้ามาฟังในขณนะนี้เป็นการช่วยกำจัดความหลงใลสงสัยได้เออันที่สามก็ความง่วงเหงาเผลอนอนความอันที่สี่แล้วความง่วงเหงาเผานอนเนื่องจากกินมากเกินไปให้ถือสิน 8. แปรอย่ากินอาหารหนังเที่ยงวนไปแล้วและกินมื้อเดียวได้ยิ่งดี ลดการบริมาณอาหารนมให้กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินแล้วเวลานั่งสมาธิความง่วงเหงาหง่นอนมันก็จะไม่มีและอันสุดท้ายคือความฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านก็เกิดจากการเราไม่วควบขู่ความคิดของเราปล่อยให้มันคิดเปล่อยมันก็เลยฟุง้งขึ้นมาต้องเหมือนเจริญสติพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างในอย่างหนึ่งพุโทโธเป็นหลายแบบพุโทโธก็เป็นสติอย่างหนึ่งการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็น อ, อย่างหนึ่ง นี่คือนิวรณ์ที่จะคอยขัดความการทําใจให้สงบถ้ามีนินวรณ์อันใดปรากฏขึ้นมาก็ต้องรู้จักวิธีแก้มันจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ครับอาจารย์แนะนําด้วยครับก็ถึงสีน 5, นะ่ห้าลยแค่นี้ก็เลิกแล้วนะถึงสีลห้าได้แล้วก็หรือสี่ข้อเดียวก็ได้ไมันต้องสี่ห้าสี่ข้อห้าเลยนะเอาไปนี่จะสมาทานศี่ข้อห้าน่าเว้นจากการดื่มชุลายาเมา ให้คิดอย่างนี้เถอะนั่นเวลาออกมาจากท้องแม่เราก็ไม่ไม่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีขวดสุรามา ก, กับเราเนี่ยมีแต่ขวนมมีแต่ขนมเหตุน้นเไม่กินเราไม่ดื่ดสุราไม่ตายแต่ถ้าตอนนั้นเราไม่ได้ดื่มนมเราอาจจะตายได้อาจารย์ครับวันนี้อาจจะชานิดหนึ่งนะครับผมคอนโทรลสามสี่เครื่องพร้อมกันนะครับอาจารย์ ทำสบายตทมสบายอยากให้ทุกคนที่ถามมาได้จากทุกช่องทางได้คําตอบครับทําอย่างไรไม่ให้หลงไปในความคิดครับอาจารย์ครับ <S <S ก็เนี่ยผึกสต็กคอยให้มีอะไรหนึ่งหนึงมีมีเป็นเหมือนกับเป็นที่ผูกใจไว้เป็นเป็นเสาเป็นหลักเหมือนกับเราเวลาลรรอยอยู่ในน้ําเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรก่อนนี่กระแสน้ํา ม, มันก็จะดึงร่างกายเราไปตามกระแสน้ํา แตถ้าเรามีอะไรเกาะเช่นมีท่าท่าเรือท่าน้ําหรืออะไรมีเสาคอยเกาะไว้กระแสน้ําก็ไม่สามารถที่จะดึงใจดึงน่าง ก, กายเราไปตามกระแสน้ําได้ใจเราก็เหมือนกันแล้วถูกกระแสของค ว, ความคิดดึงไปเรื่อยๆคิดตรงนั้นแล้วก็คิดตรงนี้ต่อคิดนู้นน้นคิดไปทัางันตั้งแต่ถึงมาจนถึงบัด น, นี้ก็ยังไม่ได้หยุดคิดเพราะเราไม่มีหลักยึดใจไม่ให้ไปคิดอะไรกรรมฐานเนี่ยคือหลักยึดใจยึดไม่ให้ใจไปคิด เช่นคำบริการพุทโธพุทโธด้วยการเฝ้าการกระทันการของร่างกายอยู่ตลอดเวลาเราต้องพยายามฝึกสติให้มีอะไรเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจน ะ, ะใจจะได้ไม่ไหลไปตามภาษาความคิดต่างๆฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วสิบปี2ี่สปีฝันทั้งญาติและไม่ใช่ญาติเกิดจากอะไรครับเคื่อความคิดของเราเน่จิตเวลาเรานอนหลับ สติมันก็ไม่มีจิตมันก็จะคิดอะไรของมันไปตามภาษาของมันซึ่งให้เป็นประเด็นสําคัญอย่าไปอย่าไปอย่าไปให้ความสำคัญกับมันคิดว่ามันมีแค่คาําความคิดความฝันไปฮะพอตื่นขึ้นมาก็ลืมมันไปตอนขณะที่เราหลับเราสติเรายังไม่หมดเต็มที่มันก็เลยยังปล่อยให้ใจคิดนู้นคิดนี้ได้ เวลาทำสมาธิปวดจมูกตลอดครับเพิ่งเริ่มเรียนสมาธิครับขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับถ้าเป็นเฉพาะช่วงที่ทําสมาธิก็เป็นเรื่องของกิเลสที่มันจะคอยสร้างอุปสรรคขวางกั้นการปฏิบัติก็อย่าไปสนใจมันปล่อยมันปวดไปหรือถ้าถ้าถ้าใช้การดูรมหายใจแล้วทาให้ปวดก็ลองเปลี่ยนวิธีใหม่แทนที้จะใช้ดมหายใจก็ใช้บริกรรมพุทโธหรือใช้การท่องอาการส2ไปก็ได้ นิดส่วนมนไปก็ได้ก่อนแล้วค่อยพอจิตริ่มเข้าสู่ความสงบมากขึ้นก็ ล, ลองหยุดแล้วมาเปลี่ยนมาดูรวมต่อในภายหลังก็ได้การเจริญสติในระหว่างวันที่ต้องทํางานคือให้จดจ่อกับงานอยู่กับการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใจลอยคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ไม่ได้บริกา ร, รพุดโธไปด้วยนะครับอันนี้ถูกครึ่งเดียว คือดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปของความคิดแต่ใจยังต้องคิดเรื่องงานเรื่องการอยู่ควาหมายของสติ ท, ทางปฏิบัตินี้ต้องการหยุดคิดเลยต้องการไม่ให้คิดเลยให้รู้เฉยๆแต่ถ้าเราต้องทํางานก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราไปปฏิบททัติธรรมในช่วงที่เราไม่ต้องทํางานไม่เข้าคอร์สการปฏิบททัติธรรมนี้เราก็สามารถที่จะหยุดความคิดได้เลยเพียงแต่ให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองโดยไม่ต้องใช้ความคิด อยากจะให้มีการสอนธรรมะแบบนี้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียนของเยาวชนด้วยนะครับอาจารย์มีคนคอมเมนต์มาครับก็ไปบอกรัฐมนตรีว่ า, าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีตัดออกตัดออกสมัยนี้เราตามฝรั่งเพราะเห็นว่าเขาจเจริญทางด้านวัตถุเราก็อยากจะเจริญตามเราเมื่อก่อนเรามีวิชาดีๆในโรงเรียนนั้นพุทธศาสนาหน้าที่พลเมืองสมบัติผู้ดีของเรื่อนนี้เป็นของดีเป็นเรื่องคุณธรรม ของของความเป็นมนุษย์ของความมีความเมตตากรุณามดมตตาต่อกันเราโยนทิ้งหมดเลยแล้วก็ไปเอาของอะไรมาก็ไม่รู้ครับน่าเสียดายครับอาจารย์ครับทำวิธีของผมนี้กลายเป็นว่ามีคนดูตั้งพันหกร้อยว่าคนแล้วนะครับอาจารย์เนี่ยครับคนเยอะขึ้นครับท่านสามารถจะส่งคำถามเข้ามาได้เพิ่มเรื่อยๆนะครับ อิทธิบาทสี่มีความหมายอย่างไรบ้างครับอาจารย์คือเป็นธรรมเนียสนับสนุนให้การกระทําต่างๆที่เราทํานี้ประสบความสําเร็จอิทธิไม่วาความยิ่งใหญ่บาทก็คือทางเดินทางเดินสู่ความยิ่งใหญ่ก็คือทางเดินสู่ความสําเร็จไม่ว่าเราจะทําอะไรในทางโลกหรือทางธรรมก็ดีถ้าเรามีอิทธิบาทสี่เราก็จะได้พบประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการเช่นถ้าเราอยากจะเป็นหมอ เบืน้นเราต้องมีความยินดีกับการเรียนหนังสือเพื่อให้เป็นหมอเนี่ยฉันทะเราต้องรักการเรียนชอบเรียนชอบเรียนวิชาต่างๆคณิตวิทยาศาสตร์อะไรเป็นต้นพอเร า, เราชอบแล้วการเรียนก็สนุกแล้วก็ทําให้ขยันมันเพียรขึ้นมาโดยไม่ต้องบังคับเพราะมันสนุกมันเพลิดเพลินต่อการเรียนก็จะมีฉันทะแล้วก็มีวิริยะศาสตร์มาความเพียร แล้วจิตตะก็คือใจก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องเรียนเพื่อนจะชวนไปเที่ยวที่นื่นไปเล่นเกมที่นี่ก็ไม่ไปอยากเอาแต่เรียนอย่างเดียวเข้าห้องส ม, มุดดูหนังสือทําการบ้านอะไรไปเรื่อยๆนี่คือจิตตะใจจดจ่ออยู่กับงานที่ต้องทําเพื่อให้ได้ประสบบความสําเร็จแล้ววิมังษาก็เริ่อความคิดไข้กวคไข้กวนว่าการกระทำของเราตอนนี้ไปในแนวทางที่ถูกหรือไม่ถ้าไม่ถูกก็ม า, มาปรับมาเพิ่มอะไรต่างๆเหล่านี้ พิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้รู้ว่าการดําเนินการของเรานี้เป็นไปตามที่เราควรจะเป็นเพื่อให้เราได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวกรเป็นนักการเมืองเป็นอะไรเนี้ต้องมีอธิบดีที่มันถึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในทางธรรมก็จะเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีอธิบดีทีเช่นเดียวกัน มีคนคอมเมนต์ว่าความตายไม่น่ากลัวแต่เวลาที่เรา อ, อยู่ได้ทําความดีเพียงพอแล้วหรืออย่างมากกว่าอย่างนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องไหมครับอาจารย์ถูกต้องนะความดีเทียงไม่ความดีต้องถึงขั้นสูงสุดก็คือการดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปให้ได้ถึงจะถือว่าครับเราได้ทาความเปลี่ยนถึงที่สุดแล้ว ถ้าตรบใดในใจเรายังมีความทุกข์อยู่แสดงว่าเรายังทําความดีไม่พอต้องทำต่อไปกรรมฐานคือการรู้ตัวกับการเคลื่อนไหวร่างกายทุกอิริยาบถเสมือนมีสติคอยเป็นตัวรู้โยมเข้าใจการมีสติกับร่างกายตลอดเวลาอย่างนี้ได้ถูกท่องแล้วใช่ไหมครับอาจลืมพุโทโธแต่ใช้ตัวรู้ว่ากําลังทําอะไรพอจะมีสติมีกรรมฐานทางธรรมหรือยังครับ ก็ถ้าเรารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาแล้วก็มีสติมีกายกตาสติมีการระรู้ถึงการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายในทุกิริยาบทนคุณแม่อายุ84ปีบอกว่าเห็นลูกชายที่ตายไป25ปีมายืนอยู่หน้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้อย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับก็ท่านก็จะเห็นไปตามจินตนาการของจิตน นอนสมาธิมีประโยชน์เหมือนกับนั่งสมาธิไหมครับประโยชน์น้อยกว่านั่งเพราะนอนแล้วมันจะหลับมันสบายแล้วมันจะหลับพอสบายแล้วสติมันจะอ่อนพออ่อนแล้วใจก็จะหลับถ้าแต่ถ้านั่งนี่มันไม่สบายถ้าหลับ ก, กับนอนสติมันก็จะมีอย่างต่อเ น, นื่องมันก็จะเข้าสู่สมาธิได้นอนสมาธิจะไม่ได้สมาธิจะได้การหลับนอนถ้าอยากจะเข้าสมาธิส่วนใหญ่ต้องนั่งสมาธิกัน ยเวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนั่งไม่ได้มีท่านนอนท่านเดียวก็าทำไปแต่ก็คงยังไม่ได้ประโยชน์มากนะอยากทราบว่าศีล227ของพระรวมถึงศีล5ถึง8อยู่ในนั้นด้วยไหมครับใช่ศีลที่สำคัญของพระมีแค่สี่ข้อนะศีลสี่นั่นเองไม่ใช่ศีลห้าคือปราราชิก4ีคือการฆ่ามนุษย์การรักษัพ์การ เศษม่ทูนก็คือการร่วมหลับนอนกับศีกาแล้วก็สี่การอดอุดอุตเตลิทำที่ไม่มีในตนเช่นอดว่าได้สมาธิได้ฌานได้อัปปนาได้ฌานหรือ ไ, ได้เป็นโสดาบันอะไรเปน็นต้นโดยที่ตัวเองไม่เป็นนี่ถ้าทำละเมะ 4, ิดสี่ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระไปเลยนอกจากเป็นข้อที่ที่มันไม่ใช่รุนแรงเป็นข้อเกี่ยวกับการ การดําเนินชีวิตของพระให้มันดูสวยงามน่าเคารพนับถือท้านนี้เช่นการกินของพระต้องกินแบบสภาพเรียบร้อยไม่ให้กินแบบเคี้ยวของดังเสียงดังเคี้ยวจุกจิกจุกเคี้ยวของดังเริ่มดื่ ม, ด, มดื่มน้ําดื่มน้ําแกงก็ซดเข้าไป <Yeah. S 2> อย่างนี้คือพระพุทธเจา้าท่านเป็นกษัตริย์ไงท่านนั้นรู้วิธีการอยู่แบบกษัตริย์ท่า น, นก็เลามาใช้กับพระอยากให้อยู่แบบกษัตริย์เหมือน เพราะภาพเป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่เข้าศรัทธาก็อยากจะให้ทำตัวที่สวยงามและการปฏิบัติก็ไม่ให้ไปสร้างความเสียหายเด็ดร้อนกับภาพรูปอื่นงั้นกฎระเบียบส่วนใหญ่227ข้อเย็บจนี้อยู่มันอยู่เกี่ยวกับการประพฤติที่ไม่ไม่ได้เป็นตัวศิลหลักศีลหลักก็มีแค่สี่ข้อนี้เ่งการเดียนถามครับเราควรทำใจอย่างไรเมื่อเราเจอคนที่เรารักโกหก ให้อภัยมาตลอดแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเหมือนระเบิดเวลาโกรธจนทำสติไม่ค่อยได้ครับก็เราไม่ได้ให้อภัยจริงเราให้อภัยเขาแล้วเราก็จะไม่โกรธ ถ, ถ้ายังโกรธอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ให้อภัยเขาือว่าเราก็ต้องใช้ปัญญาก็ได้ว่ามองเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นกล้วยเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มเขาเป็นคนชอบโกรธเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นคนซื่อสัตย์ ในโกหกเานั้นเองยามรับความเป็นจริงของเขาให้ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาที่เราทุกข์เพราะเราอยากจะเปลี่ยนเขาอยากจะให้เขาเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแต่เขาชอบโกงอย่างนี้ก็เปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนส้มให้ไป็เป็ดกล้วยไม่ได้ฉันได้ก็เปลี่ยนคนโกงให้มันเป็นคนดีไม่ได้ฉันนั้นแต่อยากแล้วเราก็เป็นคนทุกข์ใจ เขาไม่ทุกข์กับเราหรเขาสบายเขาชั่วก็เรื่องของเขาเขาก็แฮปปี้กับความเป็นชั่วของเขาอยู่แย่าเราไปทุกข์กับเขาเองเพราะความอยากของเราเราต้องตายความอยากของเราด้วยการยอมรับความจริงก็เราเปลี่ยนเขาไม่ได้คือเบื้องต้นอาจจะบอกก็ได้สอนก็ได้มาผิดถูกว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าบอกแล้วเขาไม่เชื่อฟังเราก็ไม่มีที่เราก็ไม่สามารถทําอะไรต่อไปได้ บาอยาง ก, ก็จะทําให้เราเสียใจโกรธเข้าไปบ่างโดยใช่เหตุอยากจะเลิกซื้อหวยครับแต่เลิกไม่ได้สักทีต้องทำยังไงครับก็ <g ül> ให้ทําบัญชีไว้เสร็จทุกครั้งที่เราซื้อหวยนี่เราก็จดไว้ในวันนี้เราใช้ไปเท่าไหร่สตลอดก้าวหวยแล้วก็คอยจดดูแล้วแล้าวรางวัลนี้เราได้เท่าไหร่สิ้นปีมาบวกลบคูณหารดูถ้ากาดทุนก็ยก็เลิกเล่นดีกว่าใช้เหตุผลเนอะ ถ้ากำไรก็เล่นต่อ <c oughs> คิดถึงว่าในการทำธุรกิจอย่างหนึง่งมันก็เล่นหุ้นอ่ะเล่นหุ้นเแล้วเราก็ดูที่ผลผลลัพธ์สิ้นปีใช่ไหมว่าผลตอบแทนเราการที่เราลงทุนไปอย่างไหนมากกว่ากันถ้าลงทุนมากกว่าได้กำไรมันก็ขาดทุนอย่างนี้ก็เล่นดีกว่าเรื่นแล้วขาดทุนเล่นมปทำไมเอาเงินไว้เฉยๆไม่ดีกว่าเลยไหนๆก็ไม่กำไรไม่ขาดทุนแต่มันจะไม่กำไรก็ไม่ขาดทุน โอ้ใจเหตุผลตัวนีเริ่มได้กลับไปยนพระอาจารย์ครับมีผมประชุมเรื่องบ่อนพนันนะครับพระอาจารย์สรุปว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจเขาบอกว่าทุกครั้งที่คนก็ไปเฉลีย่ยเราจะเสียคนละหนึ่งมื่นสามพันบาทนะครับอาจารย์อืมเสียแน่ๆโดยเฉลี่ยต่อวันต่อคนเนี่ยหมื่นสามพันบาทนะครับเจ้าของบ่อนรวยครับ <laughs> คนที่มาลงทุนสร้างบ่อนเนี่ยรวยพวกนี้นะฮะที่เป็นตัวผลักดัน ให้สร้างบวอนการที่นอนขึ้นมาเพื่อเขาจะได้รวยไงถ้าเขาไม่รวยเขาจะมาผักดันให้เสียเวลาทาไมัแต่เขาไม่คิดถึงผลเสียหายกับคนที่เสียกันแล้วไม่มีเงินใช้บางทีเขาต้องไปโกหกหลอกลวงไปลักขโมยไปชอบโกงอะไรต่างๆนี่เขาไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อไป การฝึกสติคือทำอย่างไรครับขอยกตัวอย่างให้ด้วยนะครับสำหรับคนเริ่มต้นเช่นผูกใจไว้กับพุโทโธเมื่อเราอยู่คนเดียวแต่เวลาเราทำงานพูดคุยกับลูกค้าสติก็มาจับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแบบนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ได้ให้อยู่กับปัจจุบันให้เราอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นตอนนี้เรากลำลังคุยกันก็ฟังไปอยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดถึงเมื่อเช้านี้<ม>อย่าไปคิดถึงพรุ่งนี้อะไรเป็นต้น ให้อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยก็ถือว่ามีสติได้เหมือนกันอันนี้สงราสการะพระบรมสารีริกธาตุมีอย่างไรบ้างครับก็อาจจะเสริมความศรัทธาให้เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ติดว่างเห็นอะไรแล้วจบปุ๊บๆไม่เสพอารมณ์จะ okay. ต้องทำอย่างไรต่อครับ ก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้ า, าไม่เสพอารมณ์ก็ดีถ้าเราไม่รักชังโกรธหลงป็ถเทว่าใจเราไม่ออเวงขาว่างเฉยได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรกับเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีทางรัดปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการวิไว่ายตายเกิดไหมครับมีรัดที่สุดก็คือใบบวชเนี่ยถ้าบวชนะพระเจ้าบอกปฏิบัติเจดวันก็เจ็ดเดือนแล้เจ็ดปีเนี่ย ที่ท่านสแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรนี้ท่านสอนพระดูก่อนภิกษุถ้าเธอปฏิบัติอย่างนี้ไปตามที่เราสอนนี้ไม่ไม่จดวันก็จ็ดเดือนไม่เจ็เดือนก็เจ็ดปีจะต้องบรรลุทําขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนบางครั้งเกิดอารมณ์หงุดหงิดด้วยเพราะมีตัวที่ทำให้หงุดหงิดมากระตุ้นควรใช้หลักธรรมข้อใดดีครับก็ตัวที่ทำให้เราหงุดหงิดก็คือความอยากของเรา่เอง ไม่ใช่อะไรแล้วอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยทําให้เราเกิดอาการห ง, งุดหงิดขึ้นมาให้เปลี่ยนใช้ใช้หลักอย่าไปอยากให้ใช้หลักสันโดษยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็โอเคเขาจะด่าเราก็ได้เขาจะชมเราก็ได้เขาจะให้เรายืมเงินก็ได้เขาจะไม่ให้เรายืมเงินก็ได้เราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ห ง, งุดหงิดให้รากัทุกสภาพให้ได้ ทำไมอิทธิบาทสี่ถึงทําให้คนอายุยืนเป็นร้อยปีได้ครับก็จะมีกําลังใจที่อยู่ต่อไปนะยินดีที่จะอยู่มีความแฮปปี้ที่อยู่คนที่ไม่อยู่กันไปบางทีไม่ใช่ร่างกายอยู่ไม่ได้นะบางทีจิตใจมันท้อสำหรไม่มีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปเช่นคนที่เสียคนรักที่เคยอยู่มาด้วยกันหลายสิบปียงเงี้ยพอภรรยาตายหรือสามีตายไปไม่กี่ไม่กี่วันหรืกี่เดือนก็ตายตามมันไปเลย เพราะไม่มีกำลังใจที่อยู่ต่อไปแล้วอยู่ไปก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีเป้าหมายของชีวิตนะเมื่อการมีคู่ครองเป็นเพื่อนก็อยู่ด้วยกันดูแลกันมีมีมีเหตุมีผลให้อยู่แต่พอคู่ครองเสียไปแล้วที่ล้วไม่มีเหตุมีผลต้อจะอยู่ไปทำไมคนรุ่นหนังเขาก็ไม่รู้จักเราเขาเป็นรุเป็นลาแล้วเขาก็ไม่มายู่กับเราคนที่เท่าเราส่วนใหญ่ก็หายตายหายจาจตายจากกันไปหมดแล้ว แล้วคนเดียวไม่รู้จะอยู่ไปทําไมครับนั้นคนที่จะอยู่ต่อไปยาวๆนี่ต้องมีเหตุผลอย่างพระพุทเจ้านี่ถ้าอยู่ก็อยู่เพราะว่าจะโปรดสัตว์ต่อไปแต่สัตว์ต้องเป็นคนอ น, นี้อาราธนาแต่ไม่ไม่มีใครอาราธนาพราะอานอนท์นี่ยพระเจ้าทรงบอกเป็นเป็นเป็นการให้ให้อะไรให้หวยให้บอกไปแล้วว่าถ้าเธออยากจะให้เราอยู่ต่อไปเธอจะต้อง ชวนเราอยู่ชวนเราอยู่นะเพราะเธอยจะต้องเป็นคนมาคอยรับใช้เราดูแลเราอีกทีคนอื่นไม่ค่อยสำคัญเท่ากับพระอานุนพระอานุนนี่เป็นคนใกล้ชิดคนที่จะต้องคอยหาอาหารอะไรมาให้พระพเจ้าฉันอะไรต่างๆหาอยู่หายาคอยบีบคอยนวดอะไรนี่ต้องเป็นพระอานุนเท่านั้นพระอานุ์ยินดีที่ยให้พระเจ้าอยู่หรือไม่อยู่ได้พระเจ้าบอกอยู่ได้ยี่สิบห้าปีอานุนก็เฉยไม่ได้พูดถึงอะไร พระพุทธเจ้าพูดทีไยก็ไม่ได้อาราธนาให้อยู่ต่อเพอะพระพุทธเจ้าพูดหลายครั้งแล้วเห็นว่าอานนท์ไม่เอาไม่ต้องการแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยปลงไม่อยู่ต่อไปแล้วไม่รักษาธาตุขันอยู่ไปเลยแบบว่าตามมีตามเกิดไปไม่ดิ้นดนต่อสู้กับการเลี้ยงดูธาตุขันมันก็เลยสามารถที่จะปล่อยให้มันตายได้เร็วขึ้นเมืกก่อกําหนดไว้สามเดือนบอกพอบอกอนนท์ว่าสามเดือนเราจะไปอนนท์นี้ขอลาธนาทันที ครับจะออกสายไปแล้วแต่ฐานทดลองได้ตัดสินใจว่าจะทําอะไรแล้วก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ไม่เปลี่ยนใจแล้วสัจจะทิฏฐานของตถาคตเป็นอย่างนั้นไปเขาปลอบใจว่าอนนท์ประโยชน์ของเราการตามเรานี้เธอจะได้รับประโยชน์เพราะหลังจากนั้นอีกสามเดือนเธอก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเรายังอยู่เธอยังไม่มีเวลาไปปฏิบัติเธอยังต้องมาคอยอุปถาเราอยู่ พระยังอาจจะไม่ได้บรรลุปเป็นพระผ้านานไดถ้าเรายังอยู่ต่อตพูดให้กำลังใจเลยไม่เสียใจแล้วก็เป็นไปตามที่พระเจ้าสองสองตัดทุกประการพอพระพุทธเจ้าอนิพายไปแล้วสามเดือนผ้าอนุนก็บรรลุปเป็นผ้าหลานขึ้นมา <Okay. S 1> เป็นองค์ที่ห้าร้อยที่ผ้าหานห้าร้อยรูปดันมาประชุมกันยังเริ่มประชุมไม่ได้ก็ต้องรอผ้าอานุนก่อน พระพานนท์นี่เป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้ารู้ธรรมมากกว่าสอนของพระเจ้ามากที่สุดต้องเป็นเป็นคนที่ให้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคำสอนพระเจ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นพระอันตสี่ร้อยเกสิก้ารูปนี้ยังไม่กระยังไม่ยังไม่เปิดประชุมรอให้พระอานอนต์เป็นพระอนันขึ้นมาก่อนพ อ, อเป็นแล้วก็ ป, ประชุมสักกายนาข้ามคำสอนพระเจ้าจัดให้เป็นบวชเป็นหมู่ต่อไป กันกองดู ว, ว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ผิดจำมาถูกบ้างจำมาผิดบ้างก็ได้มาแก้ไขกันให้มันถูกต้องฝึกถึงช่วงหนึ่งแล้วที่โพในยากรียาบทในการดำเนชีวิตอย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมครับคุณมอช่วยอ่านอนึ่งทีเลยเมื่อกี้เสียงมามันหาบอกว่าฝึกไปถึงช่วงหนึ่งแล้วครับทิ้งพุทโธ ไปพิจารณาตามเสียงคุณหมอหายไปทิ้งพุโทโธอะไรไงนะบอกว่าพอทิ้งพุโทโธไปแล้วไปพิจารณาตามอริยาบทในการดำรงชีวิตอย่างนี้ปฏิบัติได้ถูกต้องไหมครับก็เป็นการเจริญสติอยู่นะจากพุโทโธเราเป็นมาไปการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้แต่อย่าคิดเนียให้รู้เฉยๆถ้าคิดนี่ไม่ใช่นะถ้าคิดพิจารณาทางปัญญานี่ไม่ใช่เป็นการเจริญสติแล้ว ยังไม่ถึงเวลาที่เจริญปัญญาเพราะสติเรายังมีกำลังน้อยสมาธิเรายังมีกำลังน้อยไม่สามารถมาสนับสนุนปัญญาได้เมื่อตอนนี้ฝึกสติให้รู้เฉยๆอย่าให้คิดปรุงแต่งจะรู้กับพุทโธก็ได้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายก็ได้เคยใกล้ตายแต่กลัวตายสุดขีดอย่างนี้ต้องทําใจอย่างไรครับก็ต้องมาสอนใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นความตายไปได้พฉะนั้นพยายามสอนใจให้ยอมรับความตายให้ได้แล้วต่อไปคราวหน้าเวลาเจอความตายก็อาจจะปรงได้เวลาบริกรรมพุทโธแล้วอยู่ๆก็นึกถึงเรื่องอื่นแล้วก็ดึงสติมาบริกรรมพุทโธอีกทีพยายามทําแบบนี้ต่อไปได้ไหมครับได<ม>้มันกเบื้อต้นก็จะเป็นอย่างนี้เป็นการเผลอสติกับการดึงสติกลับมา พุทโได้สองสามคำเขาเผยไปคิดเรื่องนี้เรื่อง น, ง น, งนี้พอรู้ว่เผยก็ดินกลับมาหาพุทโธใหม่เป็นการชักะเยาะกันไปชักะเยาะกันมาระหว่าง ก, การมีสติกับการขาดสติต่อไปสติก็มีมากขึ้นมันก็จะอยู่กับพุทโธได้นานขึ้นยาวขึ้นต่อไปก็เป็นสัมปชัญญะไม่ไม่ไม่ลอยไปที่อื่นนะอยู่กับพุทโธตลอดเวลานั่งสมาธิเห็นการเกิดดับ คือเห็นความคิดใช่ไหมครับไม่ทใาบไปเห็นมันทําไมเวลานั่งสมาธิไม่เห็นอะไรให้ดูลมหรือให้อยู่กับคำรายการพุโทโธไม่ใช่เวลาที่จะไปเห็นอะไรต่างๆถ้าเห็นหนา้าใจมันก็จะเกิดความสงสัยคิดปูแต่งขึ้นมามันก็จะเข้าสมาธิไม่ได้ดังนั้นอย่าไปสนใจเวลานั่งสมาธินี้ให้อยู่กับลมอยู่กับกรรมฐานองดใดองค์หนึ่งพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปดูลมก็ดูลมไป เราจะเกิดจะดับเราไม่ต้องไปสนใจฉนะนั้นไม่ใช่เวลาที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้เราต้องการให้จิตนิ่งสงบไม่ให้คิดปรุงแต่งเพื่อจะได้มีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบนั่งอยู่กับลมหายใจหากนั่งนานๆเหมือนจะหลับครับจนลืมดูลมหายใจแสดงว่าเราหลุดจากสติแล้วใช่ไหมครับใช่สติหมดนะเท่าสื่อระวังหลับเนะ่ <c oughs> ความสงบมีอาการความสุขเหมือนทางโรคที่เราสุขแต่ไม่เสื่อมใช่ไหมครับคือสมาธิความสุขจากสมาธิมันก็ยังเสื่อมอยู่เวลาออกจากสมาธิมันเดี๋ยวมันก็จางหายไปได้มันก็ความสุขทางโลกแต่มันต่างลงที่ความสุขจากสมาธินี่มันเย็นมันสบายมันก็ห้องปรับประกาศแต่ความสุขทางโลกนี้มันไม่เย็นไม่สบายบางทีมันไม่ไม่อิ่มไม่พอซสด้วยซ้ำไป ควสุขทั้งโลกได้มาเราอยากจะได้เพิ่มอีกใจอีกร้อนอยู่น อ, นอนด้วยความอยากแต่ใจความสงบของสมาธิมันจะทําให้ความอยากหายไปทำให้เกิดความอิ่มความพอขึ้นมาในใจชั่วคราวทำบุญถ้าเราไม่ได้กรวดน้ําญาติจะได้รับหรือเปล่าครับถ้าเราต้องการอุทิศบุญนี้เราอุทิศได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ แล้เราเลิกถึงภายในใจไปว่าขออุทิศ ส, ส่วนบุญนี้ให้กับญาติผู้นั้นพู้นี้ไปก็ถือว่าเราได้กวดน้ำแนละ้วโดยไม่ต้องใช้น้ำํำได้ได้อุทิศบุญแนละ้วการกวดน้ําก็เป็นวิธีอุทิศบุญอย่างหนึ่งโดย อ, อาศัยใช้น้ําเป็นตัวอย่างเปรียบน้ําเป็นเหมือนกับบุญที่เรามีอยู่ในใจเราแล้วเราก็เทออกจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งสง่สงส่งบุญไปจากใจเราไปสู่อีกใจหนึ่งสูด่ดวงวิญญาณ ทานศีลทําไมการทําสมาธิภาวนาจึงได้บุญกุศล ส, สูงกว่าครับก็มันได้ความสุขมากกว่าไงความสุขในแต่ระดับมันไม่เท่ากันเหมือนธนบัตรเนี่ยทําไมก็เป็นกระดาษเหมือนกันทําไมมีค่าไม่เท่ากันใบหนึ่งยี่สิบใบหนึ่งห้าสิบใบหนึ่งร้อยใบหนึ่งห้าร้อยใบหนึ่งพันหนึ่งคุณค่ามันต่างกัน โยมแนะนําหลักธรรมของพระอาจารย์มาใช้ในการดําเนินชีวิตเป็นหลักแต่โยมยังอ่อนการปฏิบัติแต่จะแม่นการประยุกต์ใช้เนื้อหาธรรมะความเข้าใจธรรมะแต่จะอ่อนการปฏิบัติโยมต้องแก้อย่างไรดีครับให้มีการปฏิบัติมากขึ้นครับก็ต้องหาเวลาไปปฏิบัติเนยเช่นมันหยุดต่างๆเนี่ยช่วงไหนมีวันหยุดได้วันแล้วก็ไปไปอยู่วัดที่ไหนก็ได้ที่มีการปฏิบัติเการมาฉันทะ และกามตัญหาต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันนะ่ะการมชัชชานถาก็คือความยินดีในรูปเสียงขีดต้นการมตัญหาคือความอยากในรูปเสียงขีรต้นใช้แทนกันได้การเจริญภาวนาแบบที่นั่งสมาธิรู้ลมหายใจและภาวนาพุทโธกับการนั่งสวดมนต์จิตจดจ่อกับบทสวมนต์ให้ผลเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรไหมครับ ต่างกันอยู่เพราะการสวดมนต์นี้จะเข้าไม่ลึกเข้าถับการดูลมหายใจหรือการบริกรรมพุโทโธจิตจะสงบไม่เท่ากับความการดูรมลมหรือการบริกรรมพุโทโธการสวดมนต์เพราะจิตจต้องทํางานอยู่ร่างกายต้องต้องต้องต้องแปลงเสียงอยู่หรือถ้าสวดไปภายในใจจิตก็ยังต้องทํางานอยู่มากมากกว่าการดูรมลมหรือมากกว่าการบริกรรมพุโทโธ ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาได้ปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกใจเบาสบายมากไม่โกรธใครอยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครใช้เวลาทุกเวนาทีให้เต็มที่คิดว่าเราจะตายแน่อาจจะตายวันนี้วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราคิดแบบนี้แล้วใช้ชีวิตง่ายมากเลยครับดีมากเนีย่ยพุทธเจ้าสอนวห้เราคิดว่าเราอาจจะตายได้ทุกวันทุกเวลาวเวราจะได้แม่นประมาณเอาเวลาที่เรามีเหลืออยู่นี้เอามาสร้างบุญสร้างกุศล สร้างความสงบให้กับจิตใจดีกว่าสร้างอะไรทั้งหลายทั้งปวงเป็นพระมาอยู่ที่บ้านมีภรรยาอยู่อยู่คนเดียวไม่ไปอยู่วัดแบบนี้จะได้บุญหรือไม่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างนี้เราผิดด้วยไหมครับก็เป็นพระต้องอยู่วันถ้ามาอยู่นี่คนเดียวจะไม่รู้ว่าทํากิจอะไรไม่มีใครเป็นัะขีพยานจะไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่มีใครรู้ ความเป็นพระความน่าเชื่อถือของความเป็นพระมันก็จะหมดไปไม่มีใครเขาอยากจะใส่บาตรให้เป็นพระแต่เพียงแต่เครื่องแบบเท่านั้นเองแต่ความประพฤตินี้ไม่ไม่เป็นพระเลยถ้าเป็นพระต้องแยกกันไม่ได้อยู่กับคารวเป็นพระต้องอยู่อยู่กับวดัดอยู่กับพระด้วยกันอยู่กับนักบวชเพื่อจะได้มีการดูแลกันว่าอยู่ในศีลในธรรมหรือไม่เดิมนับถือศาสนาคริส มาปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาเกือบสิปีแล้วไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทุกวันแต่ยังสวดมนต์ทั้งสองศาสนาทุกวันผิดไหมครับไม่ผิดหรอกการสวดมนต์จะเป็นศาสนาไหนก็ได้เหมือนกันมันเป็นการเจริญสติเท่ากันเช่นกันหนูชอบโกรธคนไข้ที่มาสายเกิน30นาทีแต่ก็ทําให้นะครับแต่ทําแบบโกรธมากหนูควรจะสอนตัวเองอย่างไรให้ผ่านโจทย์ข้อนี้ไปได้ครับ ก็มองคนว่าคนเราไม่แน่นอนไม่เหมือนกันเหมือนกับนิ้วของเรานี่มันไม่เท่ากันนะนิ้วห้านิ้วของเรานี่เหมือนกันไหมมีสั้นมียาวมีอ้วนมีผอมคนก็แบบเนี้ยบางคนก็มาตรงเวลาบางคนก็มาก่อนเวลาบางคนก็มาหลังเวลาเราก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงอย่าไปหวังว่าทุกคนจะต้องมาตรงเวลาเป๊ะนี่เราก็จะไม่โกรธใครอ๋อวันนี้นิ้วโป้งมาแล้วเขาเลื่นิ้วก้อยมาแล้ว ชีวิตก็จมีความสุขที่เราสามารถแยกแยกคนได้ว่าคนไม่เหมือนกันแต่มาจับให้คนเหมือนกันมันจะทําให้นิ้วของเราเท่ากันเนั้นไปไม่ได้หรอกเป็นผู้หญิงครับจําเป็นต้องบวช ด, ด้วยไหมครับไม่จําเป็นการบวชการบวชก็เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึง่งการไม่บวชก็ยังสามารถปฏิบัติได้เช่นกันเพียงแต่ว่าการบวชนี่ยมันจะทําให้การปฏิบัติได้ผลดีได้เร็วกว่าการไม่ไม่บวช มันก็ับขับรถขึ้นทางด่วนกับขับรถอยู่ใต้ทางด่วนเนี่ยถ้าขึ้นทางด่วนนี้มันก็จะไปเร็วกวา่าถ้าขับรถอยู่ใต้ทางด่วนมันก็จะติดสี่แยกไฟแดงติดรถนั้นติดอะไรต่างๆเนื่องการไปบวชนี่เป็นเหมือนกับขับรถบนบนบ น, บนทางด่วนเพราะไม่มีอะไรมาคอยกิดขวางแต่ถ้าเป็นคาราวาสอยู่ยังไม่บวชนี่มันจะต้องเจอคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, นี้อยู่เรื่อยๆ มันก็จะทําให้การปฏิบัติเนิ่นช้าไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่ควรจะไปอาจจะตายก่อนเสียก็ได้เห็นได้อยากจะปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วที่สุดก็ไปบวชดีกว่าเวลานั่งสมาธิจะทําอย่างไรให้ใจสงบครับก็ต้องมีสติคอยกํากับใจไม่ให้ใจคิดเรื่องนังนงนงนงนง้นเนี้ให้สติอยู่กับพุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียว แล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวหรือบางท่านอาจจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่ไปก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพูดหายใจออกก็ว่าโถก็ได้ให้รู้อยู่แค่นี้ไม่ให้ไปรู้เรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นถ้าทําได้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบได้การเข้าใจธรรมะและการประยุกต์ใช้ธรรมะอยู่ในขั้นไหนของการปฏิบัติธรรมครับ ไม่ต้องไ่สนใจเราก็เราก็ไม่สามารถอยงแยะได้มันมันอยู่ขั้นไหนขั้นทำงานที่เราต้องการจะไปถึงก็คือการดับความทุกข์ให้ได้กันแล้วกันถ้ายังดับความทุกข์ไม่ได้ก็ยังถือว่ายังใช้ไม่ได้อย่เลี้ยงหลานช่วยเหลือเขามาตลอดพะเราไม่มีเงินช่วยเขาตัดเราและด่าเราไม่โกรธและไม่เกลียดไม่เข้าไปยุ่งด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับแสดงว่าเรามีความเมตตาดี เป็นการกระทําที่ดีเราเลี้ยงเขาเพื่อไม่ต้องไม้ไม่ต้องการเอาบุญบุญคกนกับเขาทําด้วยความเมตตาสงสารเขาอยากจะให้เขามีความสุขความเจริญแต่เมื่อเขาไม่เห็นความดีของเราก็ช่วยไม่ได้เราก็ต้องทําใจให้เป็นอเคคุเบกขาไปวางเฉยไปการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับ อ, อ่านั่งสมาธิได้บุญมากกว่าแต่ยากกว่าการสวดมนต์ ส่วนใหญ่ต้องสวดมนล์ก่อนเพื่อให้สร้างสติขึ้นมาแล้วค่อยนั่งสมาธิต่อตอนนั่งสมาธิรู้สึกไม่กลัวตายใจจะเข้มแข็งมากแต่พอออกมาแล้วเจอสิ่งที่มากระทบรู้เลยว่ายังไปไม่รอดครับใช่ตอนนั้นต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจเรื่อยว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงต้องตายอย่างแน่นอนคิดบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลัวตายได้ ไม่สบายบ่อยมากครับใช้สวดมนต์ภาวนาลดความเครียดแล้วรู้สึกดีขึ้นมันเกี่ยวกับการที่เราสวดมนต์ด้วยไหมครับ ก, การสวดมนต์ก็เป็นการระงับความเครียดได้อย่างหนึง่งนั่งสมาธิแล้วมีอาการนิ่งเหมือนตัวเองไม่ได้หายใจแต่รับรู้ได้คือภาวะอะไรครับก็คือความนิ่งไง มีปัญหาอภาระนิสินรุมเรา้าเครียดและ ก, กังวลมากทําให้ไม่สามารถภาวนาได้เลยครับควรทําอย่างไรครับก็รื้อใจ้นีิสินให้มันหมดไปมันจะได้หมดหมดความกังวลเมื่อเรายืมเข้ามาได้ทำไมเราคืนเขไม่ได้ใช่มไหมใับเข้า ม, มาได้ เ, าเราก็ต้องคืนเขไดจ้จะเห็นโทษของการมีนี่มันเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง พอไม่มีนี่แล้วมันจะรู้สึกโล่งเบาสุดบาใจสบายใจขึ้นมาทันทีนั้นอย่าไปเสียดายเงินบางคนมีเงินจะใช้นี่แต่พม่ยามใช้ก็เสียดายเงินพยายอมแบกกับแบกแบกภาระของดอกเบี้ยของนี่แล้วก็เรามาทุกกับเวลาที่เขามาทวงอยู่เรื่อยๆหมดไปให้หมดเถอะมันไม่ใช่ถือว่ามันไม่ใช่เป็นเงินของเราเงินก้อนนี้ที่เรามีอยู่เป็นเงินของเจ้าหนี้เขาเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาให้หมดดีกว่า แล้วเราใจเราจะโล่สบายความสุขใจนี่มันสำคัญกับการมีเงินเป็นกองเท่าภูเขานะมีเงินกองเท่าภูเขาแต่ไม่มีความสุขใจมีแต่ความเครียดนะี่มันมีเงินไว้ไปทำไมคำว่าสังค่าหาวัตถุสีคืออะไรครับอาจารย์ครับอันนี้ต้องไปถาม g รูเข้าดูเพราะมันไม่ ไ, ได้เรียนถึงขั้นนั้นขออภัยด้วย นั่งสมาธิสวดมนต์ที่บ้านกลับไปที่วัดได้บุญเท่ากันไหมครับเท่ากันไม่เท่ากันอยู่ที่สติอยู่ที่ว่าสงบหรือไม่สงบถ้าสงบเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันอยู่ที่ความสงบเป็นเป็นตัววัดตอนนี้ที่ฉันแขนหักอยู่ยังไม่ถึงวันนัดผตัดพยายามไม่เอาจิตไปติดอยู่กับแขนที่หักไม่คิดว่ามันปวดจะปวดก็ปวดไปปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพของร่างกาย พยายามนั่งสมาธิให้จิตใจสงบเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปทําถูกแล้วใช่ไหมครับถูกต้องแล้วขอให้เราอย่าไปเครียดกับมันนะดูดูที่ผลเนะี่ยถ้าเราไม่เครียดก็ทําถูกถ้ายังเครียด อ, อยูอมมก่ก็ยังทําไม่พอและทาไม่มากไม่ทําให้ถูกยังยึดยังติดอยู่ต้องไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายปอให้มันไปตามความเป็นจริงของมันตัดความหลงได้ด้วยวิธีไหนครับ ก็ความจริงเไยเร่างกายเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยคือความจริงมันเป็นดินน้ํำลมไฟมันทํามาจากดินน้ํำลมไฟโดยอาศัยพ่ออาศัยแม่เป็นคนปั้นร่างกายนี้ขึ้นมาให้มองให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้ก็ก็จะแก้วความหลงได้ส่วนหนึ่งความความหลงอีกส่วนนึ่งก็คือการเห็นความความแก่เจ็บตายของร่างกายแล้วยอมรับได้พเพราะร่างกายความจริงก็คือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่เราไม่ยอมรับมันแสดงว่าเราไม่ยอมเรามองไม่เห็นว่ามันถ้าต้องแก่เจ็บตายอย่างจริงจริงเราต้องยอมรับแล้วแล้วเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ ett, ความเจ็บความตายดูผลว่าอยู่ที่ใจของเราว่าใจเราทุกข์กับร่างกายหรือไม่ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายัางหลงอยู่ยังหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ยังหลงคิดว่ามันจะอยู่ไป น, นานๆเรานต้องแก้ความหลงนี้ด้วยความจริง รู้ตัวว่ามีอารมณ์โกรธแต่ไม่สามารถระงรับอารมณ์ได้ครับจะต้องทำยังไงครับใช้พุโทโธตอนที่โกรธขึ้นมาทําพุโทโธไปแล้วสวดมนต์ไปในใจก็ได้รักษาใจความอิจฉาคนอื่นน้อยเนื้อต่ำใจวาสนาตัวเองยังไงครับก็มองว่าคนละทุกคนมีมีบุญเมีมาไม่เท่ากัน คนที่ทําบุญมากมีวาลัีคมากเข้ามาเขาก็จเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเราเหมือนกับชาวนาชาวไร่ที่มีที่ที่นาไม่เท่ากันชาวนาชาวไร่คนไหนมีที่นามากเขาก็เพาะปลูกต้นผลไม้ได้มากเขาก็ได้ผลมากคนที่มีน้อยก็ได้น้อยก็ให้หมองอย่างนี้ว่าคือการกระทําของเราในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราทําน้อยกว่าเขามันก็เลยได้น้อยกับเขา แข่งรถแข่งเรือพวกย่งคออยแข่งกันได้ท่านบอกใน แ, แข่งบุญเป็นแข่งบารามรีนี่แข่งไม่ได้ต้องสร้างกันขึ้นมาหลังจากสวดมนต์ทำสมาธิเส ร, ร็จจะง่วงมากหลับลึกแต่ตื่นสายเหมือนใช้พลังงานไปเยอะอย่างนี้คืออย่างไรครับอาจารย์ก็คืออย่างนั้นอาจารย์ว่าไงมันไม่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิแต่อย่างใด อาจจะขาดนอนมามากนอนนอนจะชอบนอนอะไรทำให้ไม่ง่ายหลัง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับพระอาจารย์แต่ก็ไม่เกินความพยายามของเราใช่ไหมครับในการฝึกสติครับใช่ถ้าเกินความสามารถของพวกเราพระเจ้าก็ยังไม่สอนนะตอนต้นก็คิดอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าสอนไปก็คงไว้ประโยชน์พอดี หลังจากมาพิจารณาก็สามารถแยกแยะว่าคนเรามีความสามารถจเจริญสตินี้ต่างกันแบบ่นเป็นบัวสี่เราพวกที่มีสติมากก็จะเป็นบัวเหนือน้ำพอได้ยินได้ฟังธรรมก็บรรญุได้เลยพวกที่สองเป็นพวกที่มีสติน้อยลงมาเป็นพวกบัวเปลิมนม้ำพวกนี้ยังต้องใช้เวลาฝึกสติให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นบัวเหนือน้าขึ้นมาพอสัมผัสกับธรรมก็จะ ตัดสรุปบรรลุทาได้พวกที่สานี่ก็เป็นพวกที่อยู่กลางนะต้องใช้เวลาสร้างสติสร้างบุญบารมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับแล้วก็จะสามารถโผล่ขึ้นมาเป็นบุญเหนือน้ําได้ต่อไปแต่ต้องใช้เวลามากกว่าบุญอีกสองสองเหล่าที่ผ่านมาส่วนพวกสุดท้ายนี่มันพวกที่ไม่มีสติเลยสอนยังไงก็ไม่ยอมทําไม่ยอมเชื่ออยให้นั่งสมาธิก็ไม่นั่งสอนให้เสด็จบุญก็ไม่สว่วนชอบดูหนังฟังเพลง จ้าไปทางโลกกระทำพวกนี้ก็ตัดหางปล่อยวัดไปเป็นใจกายเป็นอาหารของบูของปลาไปพวกนี้จะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ขอความไม่ตาครับขันห้าไม่ใช่เรารูปคือา่าทั้งสี่ผมรู้จากการศึกษาแต่ด้านการพิจารณาเห็นด้วยปัญญายังไม่คืบหน้าครับขอต้องเห็นด้วยการ น, นั่งสมาธิ งา น, นสมาธิ Sur. เราจะแยกตัวรู้ธาตรู้ออกจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้มีการปฏิบัติบ้างครับแต่เวลาเจอคนพูดให้ไม่สบายใจจะทําอย่างไรเพื่อทําให้จิตนิ่งครับเนี่ยก็ต้องคิดว่ามันเป็นเหมือนกับเสียงฟ้าร้องเนี่ยเราไปควบคุมบังคับฟ้าร้องไม่ได้ฟ้ามันจะร้องฟ้ามันจะแลบเลย มันก็เป็นเรื่องของฟ้าเราห้ามเขาไม่ได้เห็นได้คนจะพูดดีพูดไม่ดีกับเราแล้วก็ไปบังคับเขาไม่ได้หัดทำใจยอมรับกับการพูดของเขาท่านั้นเราก็จะสบายใจถ้าเราอยู่กับเสียงฝนเสียงฟ้าได้เราก็ต้องอยู่กับเสียงทุกอย่างได้เหมือนกันเพราะซึ่ ง, ง, งทุกอย่างก็เป็นเหมือนกันหมดเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเป็นนิน้ำลมไฟ หนูเพิ่งได้รับโปรโมชั่นจากที่ทำงานเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจพอสมควรแต่เฉยๆครับตอนรับมา ก, ก็ไม่ได้ดีใจหรือเสียใจหนูจึงเริ่มทำงานตามหน้าที่โดยไม่ได้มีความอยากเป็นที่ตั้งทำไปตามบทบาทอย่างนั้นเองอย่างนี้ถือว่าหนูพัฒนาขึ้นอีกไหมครับแน่อยถ้าเราไม่มีความอยากเราทำตามหน้าที่ทำด้วยเหตุด้วยผลก็แสดงว่าจิตเรามีโอเบกคาความรักชักงโกรธเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็ไม่ไม่มีหรือไม่มาก ใจเราสบายก็ถือว่าไปถูกทางนะเราต้องสบายอย่าไปเครียดบางคนพอได้ตําแหน่งก็เครียดขึ mm ้น hmm. มาอุ้ยจะต้องทํายอด mm hmm. ทํำอะไรตามที่เขาปลูกปั้นเราขึ้นมาเแสดงว่าเราโงโ่เราครับ ก, กายเป็นคนรับใช้เขาใดไม่รู้สึกตัวเขาตำแหน่งมาล่อเราเราเร า, เราหน่อให้เราขยานขนขันขึ้นเท่านั้นเองเราเครียดกลจะไม่ได้ทําตามเป้าหมายที่เขาต้องการกลจะถูกกลจะถูกปลด <laughs> กลัวจะถูกไล่ออก ถ้าเราเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วก็ทําตามหน้าที่ของเราได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีจะถูกออกจากงานก็ต้องยอมรับความจริงไปเพราะทำงานเราอย่าไปเครียดกับ ง, งานที่เราทาก็แล้วกันเวลาทําสมาธิทางทางที่นึกพุโทโธแต่จิตก็นึกอย่างอื่นพร้อมกันไปด้วยอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรครับก็อยู่กับพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับคนใจนึกอย่างอื่นก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เรายังกาลังสติเรายังมีน้อยอยู่ มันเลยมีช่องว่างที่ให้มันแวบไปคิดเรื่องอื่นได้แล้วก็เกาะติดกับพุโทโธของเราไปเรื่อยๆต่อไปใจเยน็นๆต่อไปสติเราก็มีมากขึ้นแล้วความคิดต่างๆก็จะน้อยลงไปเองแล้ต่อไปก็จะเหลอแต่พุโทโธพุโทโธไปอยงเดียวคุณแม่ก่อนจากไปสั่งไว้ว่าจะหลับจะเสียอยู่ที่บ้านแต่ลูกตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลและเสียที่โรงพยาบาลอย่างนี้ลูกเป็นบาปไหมครับ ก็ไม่ทําตามคำสั่งของแม่กเดื้อจะบาปหรือไม่ก็ไม่รู้กับเรียนพระอาจารย์ครับโรคไบโพล่าเป็นอาการทางจิตหรือทางสมองครับนั่งสมาธิทำให้อาการดีขึ้นแต่ไม่หายขาดครับจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับได้ถ้าฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าไบโพล่าก็นีก็เป็นเรื่องของอารมณ์ที่แปดปนบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดร้ายเรียกไบโพล่ ถาเราฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆสติจะควบคุมอารมณ์ให้ให้ให้ให้แข็งน้อยลงแล้วต่อไปก็จะเข้ามาสู่โครงการคือวางเฉยเป็นอุเวกขาได้นั่งสมาธิครับแต่ตอนนี้ติดเพ่งจนปวดหน้าผากและขมับจนนั่งไม่ได้เลยตอนนี้ก็เลยเดินจงกรมแทนเวลาหนึ่งชั่วโมงได้ไหมครับได้หรือเวลานั่งสมาธิก็ลองใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ หรือใช้การฟังทำไปก็ได้ถ้าเราไม่สามารถเพ่งอะไรได้แสดงว่ า, วาสติเรายังมีกําลังน้อยขอถามตอ่อแต่พระอาจารย์เหมือนตอบแล้วครับผมก็อยากแก้ที่ติดเพ่งต้องทําอย่างไรครับเอออยา่อยาพเพิ่มไวียอย่าเพิ่มเวพ่งมันกําลังสติเรายังมีไม่มากพอที่จะไปเพ่งได้ไปใช้การสวดมนต์ไปหรือคําบริกรรมไปก่อนนือถ้ายังมีปัญหาอยู่ก็ลองฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้ อย่างญาติโยมบางคนที่เข้ามาฟังเทศน์นี้เขาบอกเวาลานั่งฟังเทศน์นเล้าใจเขาสงบได้เพราะแต่ถ้าเขาดูลมอะไรก็ดูแล้วมันไม่สงบเพราะตามลําพังเขาไม่มีสติพอทีจ่จะสามารถเพ่งดูลมได้แต่เพราะอาศัยการฟังเทศน์ฟังทํามันง่ายกว่ามันก็เลยทำให้ใจเขาสงบลงลงมาได้ในระดับหนึ่งการบทชีกับบทชีพราหมณ์ได้อา น, นิสงส์งเท่ากันไหมครับ ก็ต่างกันตรงที่ส่วนใหญ่บวชีพรานนี่บวชแบบชั่วคราวสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างถ้าบวชชีนี้ส่วนใหญ่มักจะบวชตลอดชีวิตบวชยาวไปเลยแต่สินเท่ากันใช่ไหมครับอาจารย์ก็สินเขาไม่ชีกับสินของนั่นก็เหมือนกันคือสินแปดสินแม่ชีบางลูกท่านก็จะถือสินสิบแต่ถ้าจะไม่จับต้องเงินทองก็ถือสินสิบแปดเท่ากับสา ม, มนเณร แล้วมันเองก็ถือสินสิบแต่ถ้าคาราวานี่ยังต้องจับต้องเงินทองอยู่เพราะยังต้องพึ่งตนเองยังต้องไปซื้อกับข้าวกับปลามากินมาทําอยู่ก็เลยยังต้องไม่ไม่สามารถถือสินสิบได้เพอันนี้สินตาก็คือศินก้านี่แต่เพิ่มเพิ่มสินอีกข้อหนึ่งคือการจับต้องเงินทองมาเป็นสิทข้อที่สิบสินตานี้สินเจ็นี่มีอยู่สองข้อมารวมกัน คือการไม่ดูหนังฟังเพลงแล้วการสั่นสวยความงามของร่างกายนี้ครับที่เป็นสองข้อแยกกันอยู่ในสินสิทธิ์พอมาเตือนสินแต่ไม่ใช่บเพราะเขาไม่ชอบเล่ห์กลเขเลยเอาเอามารูวมกับการคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จนทำให้ปวดเมื่อยต้นคอคอตึงเหมือนคิดเยอะทำให้ปวดต้นคออย่างนี้ต้องแก้ด้วยการฝึกสติให้มาก ด้วยการบริการพุโทโธแก้การคิดน้นนี่และลดการปวดต้นคอได้คิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วไหมครับเรื่องการปวดท้องต้นคอนี้ไม่แน่ว่ามันจะจะหายหรือไม่นะเพราะามันอาจจะไม่เกี่ยวกับการเรื่องความคิดก็ได้อาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นแต่ที่แก้ได้คือใจเราจะคิดน้อยลงใจเราจะสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแต่เรื่องร่างกายนี้มันอจอยู่ที่การการใช้งานมันหรือเปล่าใช้ผิดผิดผิด ผิดหรือเปล่าหรือใช้มากเกินไปหรือเปล่าในทางใดทางหนึ่งมันก็อาจจะเกิดอาการเจ็บไายได้ป่วยขึ้นมาอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ดีกว่าเรื่องของร่างกายอยากทราบว่าเวลาลูกสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิได้แค่สิบนาทีครับอยากจะนั่งนานๆจะต้องทํำยังไงครับก็ค่อยเพิ่มไปวันละนาทีเลยวันนี้สิบนาทีพ่งนี้ก็เพิ่มเป็นสิบแดนาทีพ้นมาเลย่ น, นี้ก็เพิ่มเป็นสิบสองนาทีเพิ่มไปทีละนิดเดียหน่อย เนี่ยมันก็ได้มากเองจะทำอย่างไรที่จะไม่เห็นผิดเรื่องยึดตัวเราของเราได้บ้างครับไม่เห็นผิดครับเห็นผิดว่าไปยึดตัวเราเป็นเราอย่างเนี้ครับอาจารย์จะทำอย่างไรให้ไม่เห็นผิดนะก็ต้องมองว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของสับเปลเรยร่างกายเรานี่บอกเราไปใครจะมาเอาร่างกายนี้ไปภรรยาเราก็ไม่เอาลูกลูกเราเขาก็ไม่เอาไม่มีใครเขาเอา ตัวเราเองก็ไม่เอาเหมือนกันพอร่างกายตายนะแล้วเราก็ยกให้สัปปะเลยไปแล้มวมาร่างกายนี้เป็นของสัปปะเลยแล้วเรากำลังเพ่งจันดูแล้วเราแวะเราวันเวลาที่สัปปะเลยจะนับ่างกายของเราไปเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงครับแต่ตั้งแต่ฝั่งพระอาจารย์บ่อยไม่ต้องกินยาแล้วนะครับนี่ลดลดความอยากลงแนละ้วการการซึมเศร้าก็จะน้อยลงไป บริกรรมโดยการนับเลขหนึ่งถึงร้อยแล้ววนใหม่ได้ไหมครับลองดูสิบางคนก็ใช้แทนพุทโธก็ได้อันนี้เป็นเป็นกรรมฐานอาจจะเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับเราก็ได้อันนี้ต้องทดลองดูถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นเป็นเป็นผลเป็นผลหรือไม่ถ้าเป็นผลก็ใช้มันได้เวลาทําบุญครับชอบคิดว่านี่เป็นพระจริงหรือพระปลอมอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปเราคิดได้เนี่ย อยากจะคิดว่าเขาเป็นผ้าอะไรก็ได้แต่ พ, พระเตว่าเราอย่าไปสรุปว่าเมื่อเรายังไม่รู้ว่าท่านเป็นผ้าจริงหรือผ้าปลอมจะลังในสงสัยก็เป็นเรื่องปกตินะก็ต้องไปพิสูจน์ดูเราสงสัยว่าท่านเป็นผ้าปอลอมเราตามท่านไปดูสินะท่านท่านเดินมีธรรมะกลับวันแล้วท่านไปวันหรือไปบ้านไปเปลี่ยนจีวรหรือเปล่าจากจีวรมาเป็นกงเกเองหรือเปล่าอะไรเป็นต้น นั่งสมาธิไม่นิ่งปัญหาธุรกิจเป็นหนี้เศรษฐกิจไม่ดีคิดมากจิตคิดรู้สึกตระตัวตลอดปล่อยวางปฏิบัติปล่อยว่างปฏิบัติถูกไหมขอคาแนะนำครับถ้าเราปล่อยได้ก็ถูกถ้าเราไม่ไปทุกข์กับมันก็ถูกการสวดมนต์จะต้องทำนองเหมือนพระสวดเลยไหมครับเขาก็มี <S <S มทำนองของเขานี่ยแล้วก็สวดตามทนองไป แต่ถ้าเราสวดคนเดียวเราจะสวดแบบไหนก็ได้ไม่มีธรรมนองก็ได้ถ้าเราอยากจะสวดแต่เวลาเราไปสวดกับคนอื่นเราก็ต้องสวดตามเขาพระนักเทศที่รับค่าจ้างกำหนดค่าจ้างแต่ละงานอย่างนี้ผิดศีลไหมครับมันผิดผิดเป้าหมายของการเป็นพนะระเนี่ยว่าหมายของการเป็นพระเพื่อเผยแผ่ธรรมะโดยไม่คิดสตางค์ ถ้าไปรับเงินรัทองไปคิดฆ่าเจ้านีน้ก็ถือว่ามันเป็นกิเลสไม่ได้เป็นการเป็นการมาล่ากิเลสเป็นการมามา ส, ส่งเสริมสะสมกิเลสให้มีมากขึ้นสะสมความทุกข์ให้กับใจมากขึ้นช่วงนี้เจอมรสุมชีวิตหนักในการดําเนินชีวิตพราะผิดเศรษฐกิจทุกกายทุกใจมีสติรู้เป็นขณะขณะแต่บางครั้งจิต ด, ดิ้นฟุ้งซ่านคิดวนซ้ำซ้ำ ขอหลักธรรมะในการพิจารณากายพิจารณาจิตเพื่อดับทุกข์เพื่อเจริญสติครับคือถ้าเรายังไม่มีความสงบสมาธินี่การพิจารณาไม่เกิดประโยชน์อะไรเห็นตอนนี้พยายามหยุดคิดให้ได้ก่อนดีกว่าใช้การเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนหรือคอยเฝ้าดูร่างกายอยู่ทุกขิริยาบทหรือให้อยู่ให้จิตอยู่ในปัจจุบันไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้จิตเย็นสบายก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาทางร่างกายทางทางจิตอีกต่อไปคุณแม่เป็นคนมักโกรธจะทําอย่างไรให้แม่ใจเย็นลงได้ครับก็คุณแม่เป็นกล้วยเราอยากจะเปลี่ยนให้เป็นซ้อมได้หไหมปะนอนสวดมนต์ได้ไหมครับนอนสวดมันจะไม่ได้สมาธิมันจะได้หลับแต่ บาปของคนชอบพูดส่อเสียดคืออะไรครับญาติเราชอบพูดให้คนแตกแยกกันครับเตือนกนะ็ไม่ฟังครับไม่ทราบเหมือนกันนะผลยุ่งจะไปยังไงก็คงจะถูกทาอย่างไรมันก็จะกลับมาหาเราต่อไปก็จะมีนคนอื่นก็ามาพูดส่อเสียดเพื่อยุยงให้เราเกิดความสามเคกับคนของเราก็ได้ทำกรรมันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ไม่เข้าใจเรื่องแยกรูปแยกนามครับพระอาจารย์ครับคือร่างกายของเราชีวิตของเราไดมีสองส่วนมีส่วนประกอบอยู่สองส่วนคือร่างกายกับใจร่างกายก็คืออาการสาสิบสองที่เราเห็นอยู่นี่คือกายส่วนใจนี้มีอาการอยู่สี่เรียกว่านามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือความรู้สึก เวทนาสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้สัมผาสก็คือคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอันนี้เป็นนามเป็นส่วนส่วนที่อยู่ในใจที่มัาโนมทํา ง, งานกับร่างกายเรามีนามกับมีนามกับรูปถึ่งเป็นของเป็นสองส่วนคือมีรูปก็คือร่างกายนามก็คือใจมัน ม, มันเป็นเหมือนกับสามีภรรยามาอยู่ร่วมกันชั่วกล่าวเดี๋ใน ว, วันหนึ่งก็ต้องแยกทางกันไป ร่างกายก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟใจก็คือนามก็จะไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายใหม่ไปสวรรค์ไปแลไปอบายต่อไปคำว่าพุโทโธพุธโทโธให้บริกรรมในความคิดแบบต่อเนื่องไม่ต้องนึกไปกับลมใช่ไหมครับใช่อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้ลมเลยก็ได้ เวลาทำสมาธิให้มองดูลมหายใจตัวเองใช่ไหมครับก็เป็นวิธีเนี่ยถ้าเราจะใช้ลองก็ต้องดูลมหายใจของเราอย่าไปดูลมหายใจของคนอื่นเพดูไม่ได้ป่วยบ่อยครับพอมีอะไรบรรเทากรรมได้บ้างไหมครับก็ไปหาหมอศึกษาและวิธีรักษาสุขภาพจากหมอดูก็อาจจะช่วยได้ บวชชีถ้าบวดหลายรอบสี่รอบอย่างนี้ได้ไหมครับไม่มีกำหนดไม่มีข้อห้ามจะบวดกี่รอบก็ได้ด้วยความเคารพครับถ้าเราเห็นว่ามีคนเอาของที่ทำงานออกไปขายโดยที่เจ้าของไม่รู้ควรจะทำยังไงดีแต่ก็คอยดูเขาจนกว่าเขาว่าจะจับผิดเขาครับ ก็ อ, อยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่คอยดูเขาหรือเปล่าถ้าไม่มีหน้าที่เราก็รู้เฉยๆไปไม่น่าไปทำอะไรเพราะถ้าเราไปพูดอะไรเดี๋ยวมันเราจะต้องเป็นคนนับกรรมคือก็าอาจจะไม่พอใจแล้วก็อาจจะจองเวรจองกรรมเราเราก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเรามีหน้าที่ต้องคอยดูเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องคอยสอดส่องดูแลคอยห้ามปรามหรือคอยกำจัดเราก็ต้องทาตามหน้าที่ของเราไป นั่งสมาธิไปทําไมครับอาจารย์ให้เกิดความสุขเไงนั่งแล้วจิตสงบมันจะเกิดความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการถูกพตะรื่องรางวัลที่หนึ่งบวชที่บ้านกับบวชที่วัดมีอานิสงส์เท่ากันไหมครับมันต้องบวชที่วัดแต่ไม่บวชที่บ้านไดไม่เข้าใจมันต้องบวชในโบสถ์ที่บ้านมีโบสถ์หรือเปล่าอาจะ จ, จะไม่ไม บวชอ๋อบวชีบวชีบ ว, บวที่ไหนก็ได้ไม่มีก็มีสองแบบบวชชีบ้านกับชีวัดถ้าชีชีวัดก็จะเป็นชีที่มีกฎมีระเบียบเขร่งคัดชีบ้านก็ตามตา ม, ตามใจของผู้บวชจะเถือสินมาแปดก็ได้ไม่เถือก็ได้ไม่มีใครรู้ถ้าอยู่ที่บ้านนั่งสมาธิได้สิบห้านาทีแต่ไม่สามารถผ่านเวทนา ร่างกายได้ครับจะต้องทําอย่างไรดีครับเวลาเจอความเจ็บก็พยายามใช้คำบาลีกรรมให้เกอติดอยู่กับคำบาลีกรรมอย่าไปสนใจกับความเจ็บเช่นพอรับเจ็บแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่กับพุทโธไปอย่าสนใจไปคิดถึงความเจ็บแล้วใจเราก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็สามารถผานความเจ็บได้ การแต่งกายมีผลต่อการนั่งสมาธิไหมครับเช่นพวกไม่ใส่เสื้อผ้าในอินเดียครับไม่ใช่ลหรมันอยู่ที่สติผลผลหลักก็คือสติสงบไม่สงบอยู่ที่สติไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าพุโทโธแล้วเห็นท้องพองยุบทําให้กําหนดสองอย่างรวมกันถูกต้องไหมครับก็ได้ถ้าตอาบใดที่ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ เป้าหมายก็คือให้หยุดความคิดให้ได้แยกไม่ออกระหว่างสติกับสมาธิครับอาจารย์สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลเหมือนกินข้าวเป็นเหตุความอิ่มเป็นผลก่อนที่เราจะอิ่มเราต้องกินก่อนใช่หมต้องเคี้ยวตักอาหารเข้าปากเคี้ยวก็คือกโดยไปเรื่อยๆจัง ก, การจะถึงความอิ่มพอถึงอิ่มแล้วเราก็หยุดหยุดกินหยุดเคี้ยวได้ แต่ในการเจริญสติก็เป็นการทําใจให้อิ่มเป็นการกินข้าวของใจกินอาหารใจแล้วก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเนกว่าใจจะนิ่งสงบใจอิ่มขึ้นมาอันนั้นก็เป็นสมาธิเป็นผลขึ้นมาทําการุญฆ า, าตกับสัตว์เลี้ยงครับเป็นเวรข้อหนึ่งทำอย่างไรถึงจะปล่อยวางได้ครับถ้าทําไปแล้วก็เตรียมตัวรับผลของมันก็แล้วกันต่อไปสักวันหนึงอาจจะต้องถูกขขาการุญฆ า, าตเราก็ได้ เจตนาเป็นกรรมไปทำบุญที่วัดเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านผูกได้สายฉินและท่านตัดได้สายฉินให้สั้นมือท่านมาสัมผัสที่แขนแต่ในใจหนูไม่มีเจตนาทำในลามกหรือทางไม่ดีอย่างนี้ถือว่าไม่ดีหรืออาบัตไหมครับมันไม่เกี่ยวกวับเรามันอยู่ที่ผ้าต่างหาถ้าผ้าไม่ยารมขึ้นมาก็อาบัตดนันวิธีที่ถูตกต้องก็คือผ้าไม่ควรที่จะเข้าใกล้ศีกา จะทำอะไรก็ต้องเรามัอระวังว่าจะไม่มีการแตะแตะนี้นต้องตัวรายการขึ้นมาหลังสวดมนต์แผ่กุศลให้คนป่วยที่เราไม่เคยเจอกราบทราบจากการบอกเล่าของลูกสาวของของลูกผู้ป่วยท่านที่ป่วยจะได้รับบุญกุศลไหมครับไม่ได้หรอกเขาต้องทําเองการที่เราส่งมาให้คนตายเพราะคนตายเขาไม่สามารถทำเองได้เรว่าสามารถแบ่งไปได้เพียงนิดเดียวเซี่ยวเดียวเท่านั้นเอง มูลกุศลส่วนใหญ่นี้เป็นของใครของมันต้องทำกันเองทำหมันหมาแมวบาบไหมครับไม่บาบนั่งสมาธิมาสามเดือนจิตใจฟุ้งซ่านบ่อยมากครับรู้สึกตัวได้แบบนานๆทีพระอาจารย์มีคาแนะนำให้เจริญในการปฏิบัติมากกว่า น, นี้อย่างไรครับต้องเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งเจริญทั้งวันเลยนับแต่ตื่นขึ้นมา ใชรกรรมปาริรมพุทโธก็ได้ใช้การผูกใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้แล้วใจก็จะมีสติมากขึ้นแล้วนั่งสมาธิใจก็จะไม่ฟุ้งและจะสงบได้ง่ายศีลห้าโยมไม่ได้เขร่งครัดแต่ไม่ได้ละเมิดในศีลอย่างนี้โยมอยู่ในจําพวกไหนครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่เขร่งคดกับไม่ละเมิดมันต่างกันตรงไหน ถ้ามันไม่แข็งขัดมันก็ต้องละเมิดถ้าไม่ละเมิดมันก็แสดงว่ามันต้องแข็งขัดมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเป็นได้สองอย่างไม่ได้หรอกเวลามีคนแปลกหน้ามาพูดในทํานองทํานายทายทักเช่นหมายเลขโทรศัพท์นี้ส่งผลต่อชะตาชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้จะมีโรคแบบนั้นแบบนี้ต้องเปลี่ยนหมายเลขใหม่ตั้งที่รู้แต่ยังอดคิดไม่ได้ควรตัดกับการเกิดจิตเช่นนี้อย่างไรครับ นนก็ฟางหูไว้หูเนี่ยพุทเจ้าบอกก่อนที่เราจะทําอะไรใครก็พูดอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่อให้เราพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงทําไมหลังเข้าคอสิบวันกรรมฐานหลังจากนั้นเกิดกรรมฐานแบบอัตโนมัติต่อเนื่องยี่สิบวันเป็นหลายชมรรมั่วโมงต่อวันโดยเฉพาะหลังเลิกกิจกรรมของแต่ละวันตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับก็มันเหมือนกับมันมันติด น, นิสัยขึ้นมาไงมันเป็นนิสัยขึ้นมา มันก็เยื่อจมูกอักเสบรักษาไม่หายจะใช้ทําวางใจอย่างไรไม่ให้เครียดครับไม่ต้องยอมยอมรับกับความเป็นจริงของมันว่ามันไม่หายก็อยู่กับมันไปเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะหายมันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากแล้วใจเราจะเครียดใจเราจะทุกข์ถ้าเรายอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เครียด ไ, ไมู่วิธีปฏิบัติที่ง่ายรัดสั้นตรงได้ผลเร็วโดยมีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าความจริงมันไม่มีอะไรพี่นาคทำไปเรื่อยๆและไม่เน้นการนั่งสมาธิแต่นั่งเพียงครั้งละประมาณ1ิบนาทีวิธีนี้พอจะทําให้เราประสบความสเร็จทั้งธรรมได้ไหมครับก็สมาธิก็นั่นงสมาธิยังนั่งไม่ได้จะไปรู้ทาได้อย่างไร การนั่งสมาธิมันง่ายกว่าการบรรลุธรรมหลายเท่าด้วยกันงั้นถ้ายัางนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่ได้อย่าไปหวงังที่จะบรรลุธรรมได้เลยพวกนี้เขาบรรลุธรรมนี้เขาได้นั่งสมาธิมาเขาผ่านสมาธิมาแล้วไม่เคยวิปัสสนากรรมฐานจะสามารถใช้ชีวิตโลกในโลกใบนี้ให้ถูกต้องได้ไหมครับเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนมีอารมณ์ดีไม่คิดมาก แต่ดูเหมือนว่าตัวเองไม่สามารถจัดการความเครียดความกดดันจากการทํางานหรือความคาดหวังได้เลยครับเพราะเราไม่มีปัญญามองโลกว่าโลกนี้เป็นโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ใจเราเครียดเพราะเราอยากให้มันแน่นอนพอเรารู้ว่ามันไม่ไ ม, ไม่ไม่แน่นอ น, นเราก็เลยเครียดกันขึ้นมาเราต้องยอมรับว่าเราต้องยอมรับว่ามันไม่แน่นอนและอะไจะเกิดก็ต้องยอมรับมันไปเราก็จะหายเครียด อยากให้ท่านพระาจารย์อธิบายเรื่องฌานกับญาณแตกต่างกันอย่างไรครับฌานก็คือความสงบเร่งเป็นสมาธิสมาธิเป็นความสงบที่มีความสงบหลายละหลายขั้นด้วยกันสงบมากสงบน้อยเข้าแบกเป็นฌานฌานสีรูปฌานสีกับรูปฌานสีนี่คือความสงบขั้นต่างๆของสมาธิส่วนญาณ น, นี้ก็คื อ, คอการรู้การรู้ว่าเราได้ละกิเลสแล้วนี่ก็เป็นญาณ อน้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายนี่หายไปหมดแล้วเรียกว่ายาดมีอาการไอถ้าเราจะอมลูกอมไว้ระหว่างนั่งสมาธิได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะนั่งไว้แล้วมันก็จะมาคอยกืนน้ำลายคอยอยู่นั่นการนั่งสมาธิเพื่อปล่อยวางร่างกายไ ม, ไม่ให้ทับกิ จ, จา ก, การรมอะไรกับร่างกายเลยเพื่อใจจะได้แยกออกจากร่างกายได้ถ้า ถ้ายังอมมีอยู่ใจก็ต้องไปน ค, นคอยอมคอยตื่นน้ําลายอยู่เกิดชาตินี้นับถือศาสนาพุทธชาติหน้าเราจะเกิดเป็นศาสนาอื่นไหมครับก็อยู่ที่ว่าเรารับนับถือศาสนาพุทธแบบไหนถ้านับถือศาสนาพุทธมีแค่ชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธชาติหน้ามันก็อาจจะลืมความเป็นพุทธไปก็ได้ ปกติเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์แต่บางทียุงมากัดที่แขนแต่มีเพื่อนที่หวังดีมาตบยุงให้อย่างนี้ระบาปไหมครับไม่บาปถ้าเราไม่สั่งเขาถ้าไม่ไปบอกเขาแล้วเขาหวังดีเขามายอมทำบาบแทนเราก็นเรื่องของเขาเป็นบาปของเขาไปเห็นภาวะทางโลกเห็นภาวะทางธรรมเห็นรวมรวมกันแล้วมองเห็นเป็นความว่างและเป็นกลางเห็นแบบนี้เห็นถูกต้องไหมครับ ต้องต้องไม่ทูกกับมันถึงจะถูกต้องถ้ายังทุกอยู่ก็ยังไม่ถูกต้องอยูาคำถามสุดท้ายคาถามสุดท้ายนะครับอาจารย์การปฏิบัติโดยวิธีการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วค่อยต่อวิปัสสนาเป็นวิธีการปฏิบัติที่ช้าหรือเป็นวิธีที่อ้อมไม่เหมือนกับวิธีการรู้สึกตัวหรือว่าใช้วิธีดูธาตุรู้ขอความเห็นจากพระอาจารย์ครับ มันวิธีที่ถูกที่ต้องที่สุดที่พระเจ้าทรงสอนคือศีลสมาธิปัญญามันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของมันไม่เกี่ยวกับการเรีนหนังสือต้องเข้าอนุบาลก่อนแล้วไปสู่ปรถมไปสู่มัธยมไปสู่อุดมศึกษาตามลําดับต่อไปเหมือนเราใช่ไหมครับถามวันนี้ อ, อ๋ออีกเหลือเยอะเลยครับอาจารย์แต่หมดเวลาอาจารย์ครับ อาจารย์ครับขอากาสครับวันนี้มีคนชมในเฟส795ในยู519ในคลับ6ติ๊กตอก472รวมกัน 1,792 นะครับอาจารย์มันมีคนดูเยอะครับดูพอสมควรอาจจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเั้งผมตั้งหัวข้อแล้วผมรู้ว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องบอกนี่นะ <laughs> แต่ว่าชักอยากชวนให้คนมาฟังครับอาจารย์มันก็ดีเลยเพราะ่าคนบางคนไม่เข้าใจเรื่องกรรมฐานกับเรื่องสติว่ามันตัวไหนสำคัญก่อกันบาไคนไปกังวลกับเรื่องกรรมฐานให้เราใช้กรรมฐานถูกกับเราหรือไม่อะไรเนี้มันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่สติครับวันนี้พระอาจารย์ตอบไปได้หนึ่งร้อยสิบสี่คำถามนะครับอาจารย์ครับอืก็ยินดีที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ต่างๆให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังหวังว่าท่านคงจะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปการแสดงธรรมสาหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนํำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งย่งขึ้นไปเถิดสาธุแล้วก็อาทิตย์หน้าคงจะเป็นมาอาทิตย์ใช่ไหมนะครับนะครับผ่านนครับโอเคถ้าไม่มีเหตุฉัดช่ อ, ชองอันใดก็คงจะได้พบกันอีก ในวันอาทิตย์น่ะ า, าเวลาเดิมเขาเจริญพครคขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ